เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้วันที่29ตุลาคม2557แล้วเจียนจวนจะหมดเดือนตุลาแล้วฝนก็ยังไม่ยอมหยุดยังยอมยังตกอยู่นั่นแหละเดือนจะยางเขาเดือน12แล้วหน้ามันควรจะ เอ็มเตอร์ลเราทั้งหลายชายหญิงมารอยกระทงกันแล้ว <c oughs> วันนี้เราก็จะธรรมาธรรมะสงครามซึ่งอาตมาก็พูดธรรมะนี่แหละไม่มีอื่นหรอกจะตั้งชื่อหัวขอ้ออะไรต่างๆนานาเนี่ยอาตมาตอนนี้เนี่ย อ, อะไรแหละมันฟีเบอร์โลกุตระ พีเวอร์ประมัิพูดไปยังไงยังไงมันก็นีเรื่องประมัดห น, นี้เรื่องโลกุตระไม่ได้เพราะว่ามีความจำเป็นอาตมามั่นใจนะมั่นใจในเรื่องโลกุตระของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะของศาสนาพุทธโดยตรงทุกวันนี้มันเพี้ยนมันเสื่อมมันสูญไปดังที่ด้ยกอ้าง ที่พรเจ้าท่านพยากรณ์เอาไว้ก่อนแล้วในอานิสูตรนะที่ได้พูดไปแล้วนะว่ามันจะต้องเสื่อมและมันก็เสื่อมมาจนกระทั่งถึง 2,500 ปีกว่ามาถึงวันนี้ 2,600 มันเสื่อมแล้วจริงๆอาตมาก็ขอพูดฟันธงอย่างนั้นแหละนะใครจะฟังแล้วไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรผู้ไม่เชื่อเข้าใจว่าโลกุตระของท่านเป็นยังไงยังมีอยู่ทนก็ว่าไป แต่ผู้ที่เห็นว่าเออมันจริงๆนะโลกุตระมันไม่มีแล้วจริง mm hmm. ก็ควรจะต้องมาทำคืน mm hmm. ก็ควรจะต้องมาพยายามที่จะรื้อฟื้นโลกุตระของพระเจ้าขึ้นมาให้ได้นะเมาให้จริงอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่เช่นนั้นก็น่าเสียดายศาสนาพุทธยังจะอยู่อีกแต่ถ้าอยู่แล้วก็กลายเป็นชื่อเจ้าพุทธทว่าเนื้อหาสาระ แก่นสารของพุทธมันไม่มีแล้วมันกลายเป็นอะไรอื่นที่มาหลอกคนทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกมันก็เสียไปหมดมันเสียหายมากมายเลยมันไม่ได้เรื่องนะเอาวันนี้อาตมาก็จะอย่างที่เมื่อวานนี้นะจะบรรยายไปก่อนแล้วก็ตอนท้ายรายการก็จะตอบประเด็นให้ผู้ชมทั้งบ้านส่งประเด็นเข้ามา าตามรายการธรรมมาธรรมะสงครามที่เราเคยทําส่งประเด็นเข้ามาในรายการนี้ได้เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวกันกับเมื่อวานนี่แหละถ้าใครจําได้แต่ยังจําไม่ได้ก็ด้วยยังไม่ได้ฟังก็บอกให้เบอร์โทรศัพท์สองหมายเลขจะส่งเข้ามาได้0892660574 น, นี่อันนึง 089อันนี้089น้ำหน้า2660574อีกหมายเลขหนึ่งก็คือ082 อ, อ น, นี082 0824430271 อ, อีกอันหนึ่ง0824430271 นี่หมายเลขหนึ่งสองหมายเลขดดวยกันนาะาก็ไพ่จะส่งประเด็นเข้ามาก็เชิญนะหมายเลข089 2660 5 7กกกับ0824430271นอ่ทีนี้อาตมาก็จะมาพูดเรื่องเดิมอีกคือเรื่องของการตรวจดูเนื้อหาสาระแก่น ของศาสนาพุทธทุกวันนี้เนี่ยมันเหลือหรือมันไม่เหลือมันกลายเป็นอะไรไปแล้วจริงหรือไม่ตามที่พระเจ้าท่าพยากรเอาไว้แล้วว่าต่อไปเนื้อหาสาระของพุทธเหมือนกลองอนักะชื่อกลองอนักะมันยังเหลืออยู่แต่เนื้อไม้เนื้อหนังเนื้ออะไรอะไรที่เป็นกลองนั้นมันถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่า มันเสื่อมมันเปลี่ยนมันริมันแตกมันอะไรออกขเขาก็เอ า, าเอาใหม่มาใสา่หมดชั้นใดพุทธศาสนาก็กลายเป็นเรื่องแปลงเรื่องปลอมของเก่าขอ ง, ข อ, ง, ข อ, ง, ข อ, งอะไรมันไม่มีเหลือมีแต่ของใหม่ก็ามาทดแทนไม่เป็นแก่นเก่าไม่เป็นสาระเก่าของาศาสนาแล้วดังนี้เป็นต้นก็มาพูดกันมาพระพุทธเจ้าจะพยากรเอาไว้แต่ปางโนนมาถึงวันนี้สองพันกว่าปีมาแล้ว มันจริงไหมอาตมาก็พูดมาหลายทีแล้วนะโดยที่จะยืนยันกันเอาหลักธรรมพระพุทธเจ้านั่นแหละมาตรวจสอบมายืนยันนะแกลนคืออะไรอาตมาก็ไล่ามาหลายกันละนะวานคือก็ไล่ไปว่าแกลนที่พระเจ้าท่านตรัดเอาไวในะนะ้ในจูลับในจูลสาโรปรมาสูตรอ่านะ ก็ได้พออาไปแล้วะว่ า, ออาไปแล้วแก่นแทนเปลือกของต้นไม้แก่นไม้มันมีทั้งกระพี้มีทั้งเนื้อมีทั้งเปลือกมีแก่ น, ม, กนมีกระพี้มีเปลือกสเก็ตแล้วก็กิ่งไม้ใบไม้ต่างๆหรือจะไล่ตั้งแต่กิ่งไม้ใบไม้มาก่อ น, นมีกิ่งไม้ใบไม้ ท่านเทียบเหมือนลาบส ก, การะสันเสริญคนได้แต่แค่นั้นได้แต่ลาบสักการะสันเสริญได้แต่กิ่งไม้ใบไม้สกเก็ตคือศีลศีลยังไม่ได้เลยที่อาตมาพูดศีลยังไม่ได้เนี่ยเหมือนดูถูกดูแคลนไม่ได้จริงๆพราะเนื้อหาของศีล น, นั้นศีลจะต้องเป็นประโยชน์ขั้นอาวิปปิสาร จะต้องทําให้จิตมันลดความเดือดร้อนลงมาไปตามลําดับเป็นอวิปัสิสารเป็นปาโมชะนะเป็นปิติเป็นปัจสัตติเป็นสมาธิอะไรงี้เป็นต้นมันไม่เป็นแล้วศีลมันก็ได้แต่เปลือกไม่ใช่เปลือกมันอาจจะพูดแล้วมันจะซ้ํากับที่ท่านตรัสไว้มันได้แต่ภาษาสีลมันได้แต่ภาษาแล้วก็ปฏิบัติไปตามบัญญัติไปเฉยๆนะอาจจะทําได้แล้วก็สอนกันว่า แค่กายได้แค่กายแค่วาจาทั้งตั้งที่นี่กิมัติยสูตรที่อาตมายืนยันอ้างอิง เ, องเนี่ยก็จะเป็นดอกเล่ม24่เนี่ยข้อหนึ่งเลยก็ข้อสองร้อยแรัดว่าศีลอันเป็นกุศลนั้นจะยังความเป็นอรหันต์จะยังความเป็น อ, ร ห, ร, อ, นอรหัตผลโดยลําดับบริบูรณ์ได้โดยลําดับนี่ฉันตัดจู๋สรุปความไว้นี้เลยศีลอันเป็นกุศลนั้นจะพาให้เกิด ความเป็นอรหัตผลบริบูรณ์โดยลําดับดังนั้นจริงๆเลยแต่ทีนี้มาพูดกันแล้วว่าศีลมันได้แต่แค่กายกับวาจาการกวาจามันไม่ได้พาให้บรรลุอรหัตผลได้นี้เป็นต้นศีลมันจะต้องทําให้อธิจิตเกิดอธิปัญญาอธิวิมุตติอธิมุตติเกิดเป็นตามลําดับจริงอัตมาได้พยายามใช้หลักทำสูตรที่ตรวจสอบพระไตรปิฎก ไม่ใช่ตัวสอบธรรมะของพระุทธเจ้าเป็นต้นวันนก้าเป็นต้นกถาวัตถุสิบก็ตามมายืนยันหรือแม้จะใช้ให้มันชัดขึ้นไปอีกอโพธิปักขีธรรม3าเ็ดซึ่งเป็นโลกุตรธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนกถาวัตถุสิเนี่ยเป็นเป็นโลกุตรธรรม ถ้าปฏิบัติแล้วก็จะได้เป็นโลกุตระไปตามลําดับโสดาปฏิมักโสดาปฏิพนส ก, กิทาคามีมักส ก, กิทาคามีพนอนาคามีมักอนาคามีพนอรหัตมักอรหัตพนและนิพพานเป็นโลกุตระเกวรวมแล้วเป็น46นะ่สิบหกนะภูริจัสตรัดไว้ชัดนะอันนี้ในพระธรรมปิกฤตเล่ม31มสิข้อหกรคิดว่าไม่ผิดนะอาตมาว่าอาตมาดูว่าจะจําได้ คับกับคลาว่าอย่างงั้นจริงๆนะเล่ม3 6โอ้ยดข้อ260ข้อสอ0ร้ อ, อโอ้ยไม่ไข้อ 6. 6นะดูมันจะชัดอาตมาว่าน่าจะไม่ผิดนะท่านตรัสไปชัดว่าโลกุตรธรรมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ที่นี่เราก็ต้องเข้าใจว่าเนื้อแก่นของศาสน า, าพระพุทธเจ้านั้นเป็นโล ก, กุตระนั่นแหละคือแก่นเนื้ อ, อแท้ซึ่งมีไปตามลําดับไม่ใช่ว่าจะเป็นแก่นทะลุแก่นทันทีแต่มันเข้าสัมมาทิฏฐิเข้าทางแล้วก็ขอย้ำอีกว่าธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเป็นโล ก, กุตระถ้าไม่ใช่โล ก, กุตระนั้นมันไม่ใช่ศาสนาพุทธมันอยู่นอกเขตของพุทธ เขตของพุทธนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกก็ไว้พระบาลีว่าบุญยักษ์เขตตังนบุญยักษ์บุญยักนะบุญยักษเขตตังแปลว่าเขตของบุญเขตของศาสนาพุทธเนี่ยจะต้องมีบุญนะจะต้องมีบุญคำว่าบุญนี้คือการชำระกิเลส บุญหมายถึงการชรําระเกศทุกวันนี้มันเพี้ยนมันไม่ใช่โลกุตระมันไม่ใช่พุทธจนกระทั่งคําว่าบุญก็ไม่มันไปใหญ่เลยบุญมันเป็นเรื่องที่จะชําระกิเลสมันเป็นเครื่องมือที่อาตมาใช้เคยพูดเคยอธิบายว่าบุญเนี่ยบุญญะเนี่ยมันมันเหมือนกระปืนไม่ใช่ไปนขนมปังที่จะอยากได้มาแล้วเอามากินมาใช้มา มันไม่ได้ไม่ใช่เครื่องได้มาบุญเนี่ยถ้าบอกว่าได้มันได้ปฏิบัติสาเร็จผลแต่มันก็ไม่ได้อะไรเพราะมันเอาออกไปหาศูนย์บุญเนี่ยเอาออกไปหาศูนย์มันไม่ได้อะไรมาบุญไม่ใช่เครื่องได้ไม่ใช่เรื่องได้แต่ไปเอาบุญไปใช้ความหมายว่าเป็นกุศลเป็นเรื่องได้เป็นเรื่องที่จะเป็นพลวิบากของกุศลกุศลวิบาก นะบุญบุญวิบากมันไม่มีเคยได้ยินไหมบุญวิบากใครเคยได้ยิ น, นบุญวิบากมีไหมไม่มีมีแต่กุศลวิบากบุญวิบากไม่มีบุญมันเป็นผลแล้วมันศูนย์ไปเลยมันไม่เหลือวิบากที่จะเป็นผลมาให้คนมาต้องมาอาศัยใช้บุญไม่บุญมันสำเร็จจะบอกว่าอาศัยสุด การอาศัยโดยซ้ำไปพระบุญมาศูนย์ไปเลยถ้าดับไปแล้วหมดไปแล้วมันล้างไปเลยจบศูนย์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะไปอาศัยอะไรอัตมาพยายามขยายความซ้ำแล้วซ้ำเล่า ว, วนไปวนมาเนี่ยพยายามฟังมีพละความที่อัตมาพยายามใช้เพื่อที่จะขยายสัด จ, จัดให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจะได้เข้าเป้าจะได้เข้าถึงแก่นจุดสําคัญ เนื้อหาแท้สุดถูกต้องให้ได้นะวันทุกวันนี้เข้าใจคำว่าบุญก็เพียนแล้วก็เลยเอาบุญมาใช้เป็นเครื่องมือล่อหลอว่ามาแล้วจะได้บุญได้บุญได้บุญคำว่าได้บุญเนี่ยคือไม่ได้อะไรแต่ก็ไปสร้างบุญเป็นพบเป็นชาติบุญคือวิมานบุญคือสิ่งที่จะโอโ้จะร่ำจะรวยจะได้อนนู้นจะได้อ น, นี้จะมีอย่างโง้นอย่างนี้ บุญไม่ใช่พบเจ้าชาติบุญมันสิ้นพบจบชาตินะบุญเนปาปะ ป, ปริคีโนมันจะสิ้นบุญสิ้นบาปเลยสิ้นบาปก็คือล่างบาปก็คือกิเลสพอกิเลสหมดดับหมด ด, หม ด, ด้วยการทําบุญด้วยการปฏิบัติให้เกิดบุญคือการชรําระบาปสําเร็จชําระกิเลสสาเร็จพอหมดบาปหมดกิเลสบุญก็จบบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีจึงเรียกว่า ปุญญะปาปะปริกขีโนมีอักษรพยันชนะชัดเจนเรื่องราวมีพระพุทธเจ้าท่านตรัสของท่านเองอในปฐิปิดกเล่ม32มสิขอข้อ2าท่านก็ดืนยันอยของท่านว่าท่านสิ้นบาปสิ้นบุญสิ้นบุญสิ้นบาปพระโมคราชพระอริยะพระอรหันองค์หนึ่งก็พูดว่าท่าน สิ้นบุญสิ้นบาปแล้วอะไรเงีต้นหรือพระอดียพระอรหานตองค์อื่นๆสิ้นบุญสิ้นบาปคือเป็นอรหันต์นี่เป็นรายละเอียดที่มันลึกซึ้งมันมันมันเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเผื่อว่ามันผิดมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดคุณค่าอะไรไปเลยแต่ถ้ามันสมาธิิมันก็จึงจะได้ผลได้ประโยชน์อย่างแท้จริงน่ะ อาตมาก็วันนี้อยากจะเอาคําว่าแก่นของศาสนาพระเจ้ า, ามาวานนี่พูดถึงแก่นไปได้แต่แค่ทุกวันนี้ที่พูดไปแล้วพิสูจน์ไปแล้วยืนยันไปแล้วศาสน า, าทุกวันนี้พูดจะไปได้กันน่ยแต่เสวยเสวยผลเป็นผลได้จ ะ, ะ, ะ่ใบกัต้นใบใบก็ต้นหรือใบกับกิ่งไม้อะไรต่างๆนานา เปรเหมือนราบสการะไปได้แต่ราบสการะเท่านั้นเป็นประโยชน์ไม่ใช่แก่นจะเอาแก่นแต่ไม่ได้แค่นั้นไปคว้าผิดไปหมดยังน้อยได้ศีลสเก็ตก็ยังดีก็ไม่ได้ศีลก็ไม่ได้ศีลก็เพี้ยนๆผิดๆดดยิ่งสมาธิที่ทันเทียบเหมือนก็น เ, ปเปลือกปลึกไม้ สมาธิก็ไม่เป็นสมาสมาธิเราไปเป็นสมาธินอกเรกีออกนอกขอบเขตพุทธนะออกบุญจากเขตออกนอกบุญจากเขตออกนอกเขตบุญเพราะไม่เป็นบุญไม่ชําระกิเลสเพราะเมื่อมันไม่เป็นอยู่ในเขตของบุญการชําระที่ถูกต้องเข้าใจภาษาเข้าใจกวหมายผิดแล้วปฏิบัติมันก็ไม่ไม่ตรงมันก็ไม่ได้ชําระกิเลสนะมันต้อง ปุณณะติเรียกว่าชำระบุญเนี่ยหรือบุญญะเนี่ยสั์เต็มก็ท่านแปลไปก็คือสันตานังปุณาติวิโซเทติแปลว่าชำระกิเลสในสันดานออกให้หมดจดเลยนั่นคือหน้าที่ของบุญว่าผู้ปฏบิบัติบุญเป็นปฏิบัติบุบญชำระได้ จิตก็จะลดลงลนเรื่องสมาธิจิตลดกิเลสลงชำระออกชำระออกแล้วก็ผู้ปฏิบัติก็ตามเห็นกิเลสลดลงนะลดลงลดลงเห็นความจานคลายของกิเลสนะมีอนุปษษัสสีมีการมียานอ่านตามเห็นเรียกว่าอนุปษษัสสีที่ท่านตรัสไว้ในอนาปานาสตินะซึ่งจะเป็นผลอนิจจานุปษษัสสีสตัวสุดท้ายของอนาปานาสติ16 สัตจบนอธิบายแล้วอาณาปานสติสิที่ปฏิบัติได้ถูกต้องแม่แต่กายยังสังขารจะสงบระงับยังไงจิตสังขารจะสงบระงับยังไงจะต้องรู้กายยังไงปฏิสังเวทีจิตสังขารก็จะรู้ยังไงแล้วก็เกิดระงับให้มันระงับได้ยังไงปัตสัมพยังกายยังสังขารังต่าง จนก็ทั้งถึงขั้นสุดท้ายก็จึงรู้ตามเห็นความจริงว่ามันเห็นความไม่เทียมอ น, นิจจานุปัสสีเห็นความจางคลายของกิเลสเห็นกิเลสดับนิโรธานุปัสสีเมื่อทําได้ก็ทําซ้ําปฏินิสกานุปัสสีทําเพื่อรักษาผลอนุรักษณะประธานด้วยอาเสวนาภาวนาภาุรีกัมมัง หรืออภิสังขารเป็นอาเนญชาอภิสังขารเป็นตน้นก็ทําให้มันเกิดผลจริงๆหรือจะเรียกว่าปฏิบัติซ้ําอีกจนแน่ใจให้เกิดทั้งส่วนอดีตส่วนปัจจุบันผู้ข้อไปส่วนอนาคตด้วยการปฏิบัติปัจจุบัน36เวทนานในขามะสิตะเวทนากับเขหะสิตะเวทนาที่เป็นมโนปวิจารสิบ ตรวจสอบไปปฏิบัติไปตลอดทุกปัจจุบันจนสังสมเป็นอดีตก็ะสูนอนาคตมั่นใจว่าสูนเพราะในปัจจุบันก็ะสูนจนเป็นอัตโนมัติจนมันเป็นตัถตามันเป็นเช่นนั้นเองเลยนะปฏิจจบัติจนกระทั่งไม่ต้องไปทำอะไรมันมาเป็นอัตโนมัติอะไรงี้ยเป็นต้นเป็นอย่างนั้นเองได้ชัดเจนซึ่งสิ่งเหล่านี้บัญญัติภาษาของพุทธเจ้า เอามายืนยันมันชัดเจนทุกอย่างเพราะงั้นแม่สะเก็ดก็ดีแม้เปลือกที่เป็นสมาธิก็ดีมันก็เพี้ยนไปเป็นสมาสมาธิแล้วไปไม่ปฏิบัติมรคเจ็ดองตามพทเทวุจ้าท่านตรัสไว้ในมหาจัตตาริสกัูสุว่าสมาสมาธิองค์ท่านเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาปฏิบัติลืมตาตำหลักมรคองแปดแต่ปฏิบัติเจ็มรคมรคเจ็ดอง แล้วก็จะเกิดสมาสมาธิตามที่เจ้าทั้งหลายไในมหาจ ต, ตารีสกุลยอย่างที่ว่าแล้วนะพระเปิฎกเล่มสนะตั้งแต่ข้อ252อถึง281อย่างนี้เป็นต้นเพนะราะการปฏิบัติธรรมที่มันเพี้ยนผิดไปจากคำสอนที่ตรวจสอบได้พระเปิฎกยังดีอัตมายังโชคดีที่มีพระเปิฎกนี่เป็นหลักฐานในอัตมาใช้อ้างอิงยืนยันได้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนแต่เสร็จแล้วไอ้ที่ไปนั่งหลับตาสมาธินั่นน่ะไม่เคยมีอาจมาเคยพูดแต่ก่อนนี้ต้องนานมาเคยเคยเหมือนทาทายเหมือนทาทายว่ามีไหมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้หลับตาปฏิบัติสมาธิแล้วก็ช้กรรมว่าหลับตาอยู่ในปฏิบดกสักคำหนึ่งหามาสิท่านบอกว่าให้เป็นหลับตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในผวังเพื่อ ปฏิบัติสมาสมาธิมีในพระธรปิดอกตรงไหนมีแต่ยืนยันว่าปฏิบัติมรรคเ็องค์นี่เพราะงั้นก็ต้องปฏิบัติทั้งแต่ทาอาชีพอยู่กับปฏิบัติสมาธิสร้างสมาสมาธิกัมมันตะกัมทุกอย่างกายกรรมวจีกรรมโนกรรมก็เป็นการสร้างสมาธิในปการปฏิบัตินั้นด้วยสติปัะธานสด้วยสมปทานสีด้วยอิทธิบาทส สัมผัสและมีกายนอกกายกายในกายพิจารณากายในกายพิจารณาไปถึงเวทนาจิตธรรมและวหาเหตุเวทนาร0อยแจิตเจโตปริยานิบหก็รู้จากสราคะสัทวสะนั่นเป็นตัวเหตุเป็นตัวเหตุเหตุทางปรมัตา์คืออคุศสร จ, จิตตัวเหตุสาราคะสัสระสราคะทัสามโมหะนี่เป็นเหตุที่จะกาจับตัวนั้น เป็นเหตุทางอาริยสัจส ย, ยังมีเหตุทางปฏิบัติท่านตรัสไว้ในมูลสูตรท่านใช้คําว่าสมุดไทยด้วยเหตุในมูลสูตรนี่คืออะไรขอเข้ามาสมูตรเพราะว่าในมูลสูตรนี่มีทั้นคําว่าเหตุที่เป็นสมุดไทยมีท่านคําว่าแก่นที่เป็นมิมุตลองไลด่ดูท่านตรัสว่ามีชั้นทะเป็นมูล เป็นมูลกาเป็นเขาต้นเลย ม, มูลสูตรสิบนี่เป็นหลักวัดกันชัดเจนเลยว่าการปฏิบัติไม่ผิดหนึ่งมีชันทัเป็นมูลสองมีมณสิกการเป็นแดนเกิดเป็นสัมภะเพราะงั้นมณสิกการกณก็ต้องรู้ว่าคืออะไรมณสิการตัวนี้ไม่มีคาว่าโยนิโซนะมณสิกการแปลว่าการทาใจในใจ คือการทําใจของตนเองให้เป็นไม่มีคําว่าพิจารณาแต่ก็ไปแปลกันว่าพิจารณามนสิการก็ไปแปลว่าพิจารณาแน่นอนต้องใช้พิจารณาสติปัฏฐานสีต้องมีการพิจารณาอยู่แล้วพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ทําสิเวทนาจิตก็ทํากายในกายก็เริ่มเป็นจิตแล้วกายในกายกายนี่คือจิต แต่มาพู่แล้วเนี่ยหูหักกันแน่นอนลกายนี่คือจิตแยกกายแยกจิตให้ออกนี่ละเอียดลึกซึ้งจะไปแยกกายออกไปเป็นมหาภูตรูปเป็นการปรุงแต่งของดินน้ำไฟลมไม่ใช่กายไม่ใช่การปรุงแต่งของดินน้ำไฟลมกายคือการปรุงแต่งของรูปกับนามน่ะ การปุงแต่งของรูปกำํำนามมีมหาปุตตรูปด้วยมีภาษาทรูปมีตาหูจมูกนิ้วกายแล้ก็มีสิ่งที่กระทบสัมผัสมีรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสต่างๆเมื่อสัมผัสกันเกิดมาปั๊บมันเกิดก็เกิดองค์ประชุมเรียกว่ากายเป็นภาวะรูปสองเป็นอิทธิภาวะหรือเป็นปุริสภาวะขึ้นมาก็พิจารณาสิ่งเหล่านั้นต่อไปจนครบ ปุปปาทายรูป24นันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาตมาก็คงไม่อัดขออธิบายวันนี้ในเรื่องรูปปุปปาทายรูปยี่สี่นี่ซึ่งนัยยะในในั้นในลึกซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เพราะงั้นเมื่อเราสามารถมณสิกการเป็นอาตมาใช้คําว่าเป็นทําใจในใจเป็นก็ตรงนั้นแหละที่เป็นแดนเกิดแดนตายสัมภาวะทําให้กิเลส ต, ตาย จิตใหม่ก็เกิดนี่คือเห็นความเกิดความดับพูดกันมากว่าต้องพิจารณาเห็นความเกิดความดับของจิตนะเห็นจิตเกิดจิตดับคําว่าเห็นจิตเกิดจิตดับในคุณต้องรู้ว่าจิตตัวใดจะให้ดับจิตตัวใดเกิดจิตตัวใดจะเกิดก็อกุศลจิตที่เป็นสมุทัยงไง เป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นอริยสัจสี่ตัวนั้นต้องอ่านในออกตัวนี้แหะคือสักกายะสักกายะองค์ประจุมของจิตที่มันเนื่องกับการสัมผัส ต, ต่างๆหูจมูกลิ้นกายภายนอกสัมผัสกับตาดินน้ำไฟลมข้างนอกเกี่ยวข้องกับอยู่ข้างนอกไม่ได้หลับตาเลยทำมาชีพทําการงานอะไรต่างๆนานาพูดอยู่อะไรอยู่สัมผัสแล้วก็ อ่านกายวิญญาณอ่านกายวิญญาณท่านไปแปลกันว่ากายวิญญาณคือวิญญาณที่เนื่องมาจากกายแทนที่จะแปลว่าวิญญาณที่คือองค์ประชุมของธาตุรู้ทั้งหมดเรียกว่าวิญญาณองค์ประชุมของธาตุรู้ทั้งหมดเรียกว่ากายวิญญาณ ก็ว่ากายเพราะเข้าใจว่ากายนี่คือร่างเนื่องมาจากร่างมาเป็นวิญญาณเพราะงั้นเนื่องมาจากร่างมาเป็นวิญญาณมันก็พอทุตีนะพอใช้ได้เหมือนกันว่ามันมันก็เกี่ยวข้องกับโครงร่างกายด้วยแบบกายตาหูจมูกจีนกายสัมผัสกับข้างนอกแล้วก็เนื่องเข้ามาหาข้างในเป็นวิญญาณเป็นองค์ประชุมของวิญญาณมันก็ไม่มันก็ถ้าเข้าใจสภาวะไม่สับสนหรอกพรพราะเข้าใจได้ แต่ถ้าเพราะว่าไม่ชัดเจนก็จะกลายเป็นว่าเพราะกายไปอธิบายว่าเป็นร่างเป็นดินน้ำไฟลมแั่งก่อนไม่มีวิ ญ, ญญาณเข้าไปร่วมเลยตัดวิญญาณออกจากกายเลยเพราะถ้าเข้าใจคําว่ากายคําเดียวนี้ตัดวิญญาณตัดธาตุรู้ ต, ตัดจิตตัดมโนโออกจากกายจบเลยเพราะจะพิจารณากายในกายในสติปัฏฐานสีจะรู้จักสักกายยากักษไม่ได้เลยจะพิจารนากายคาตาสติแจ้ง ยิ่งท่านบอกว่าจะต้องสัมผัสวิโมกแปดด้วยกายว่นอะไรวะสัมผัสวิโมกแปดด้วยกายอาจะมาว่ามึนตึบแน่นอนสัมผัสวิโมกแปดด้วยกายี่ยมันจะอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะเข้าใจยากเลยมันจะไม่รู้สภาวะธรรมและมันจะไปปฏิบัติรม เ, เ, เป็นอริยะผลเป็นผลดีแท้กันได้ตรงไหนละ่ะถ้าเพิ่วว่าความหมายของพยัญชนะที่เป็นสื่อสภาวะ ประมาตต่างๆพวกนี้เมื่อไม่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วน่าจะไปกําหนดถูกยังไงสัญญาจะไปกําหนดกายหรือจะปฏิบัติวิญญาณทิฏฐิเจตกำหนดกายโดยการกําหนดจากวิญญาณวิญญาณนี่แหละคือกายกําหนดวิญญาณทิฏฐิก็คือมีวิญญาณตั้งอยู่แล้วก็กําหนดกายจากวิญญาณที่ตั้งอยู่นี่วิญญาณทิฏฐิสัมผัสแล้วก็จงเห็นกําหนดรู้เลยขณะนี้ ว่าอะไรมันต่างกันยังไงมันเหมือนกันยังไงมันอย่างเดียวกันยังไงอะไรต่างๆนียในอิญทรีที่เจ็แล้วก็จะรู้กายของสัตว์สัตววาเ9้าถงก็คลายกันก็เหมือนกันน่มันจะคลายเลยเหมือนกันกับวิญญาณที่เจ็ดทว่าสัตวว่าเก้านั้นมีองค์ประชุมที่มันเป็นทำผิดทำผิดทำเป็นสิ่งที่มัน เป็นสัตว์ชนิดที่ปฏิบัติต่อไปไม่ได้เป็นอสัญญีสัตว์เป็นต้นหรือเนวัั ญ, ญานาสัญญายาตนะตัวสุดท้ายที่ไปทำผิดจริงๆเนวัช ญ, ญานาสัญญาญตนะนั้นเป็นธาตุรู้แท้ๆไม่ใช่กายไม่ใช่องค์ประชุมแต่เป็นธาตุรู้ตัวสุดท้ายธาตุรู้ตัวนี้ถ้าตัวยังไม่พ้นตัวนี้มันก็ไม่พ้นอวิชชาสวะ ไม่เข้าสู่สัญญาเวทิตานนโรดได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งปเป็นความสุขขุมลึกซึ่งปัิปุนาละเอียดมากคำเพีราลึกซึ่งที่พูดแล้วมันก็ยากทะพูดที่ไม่มีสภาวะที่จะเดาอตกาวาจัจราเดาตามไม่ได้นะสรุปแล้วมันนะสิการจะต้องรู้ตัวตรงจิตอยู่หัทยรููกกำหนดรู้ได้ว่าอ๋อนี่ใจเราตรงนี้ กายใจกำลังทํางานตรงนี้เป็นองค์ประกอบของกายของการงานตรงนี้ซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างรู้ได้อาการนิคานีเมตอุเทศอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วเราก็อ่านอาการพวกนี้ออกนะและมันก็อกุศลจิตมันเป็นยังไงองค์ประชุมของอกุศลจิตและก็กําจัดอกุศลจิตนี้ดับหรือตายอากุศลจิตตาย นี่เห็นความตายอย่างนี้เห็นจิตตายเห็นความตายความเกิดพอจิตตัวนี้ตายจิตตัวเหลือก็เป็นจิตส่วนที่เกิดเรียกว่าโ oh, อปปาติกโยนิเกิดผุดเกิดโดยไม่มีสากเกิดทันทีเกิด ท, ทันทีต่อเนื่องเลยอันนี้ตายปุ๊บอันนี้เกิดปับ๊บเกิดในตัวไม่มีอะไรขั้นก็พูดกันอยู่นะอาตมาก็ได้ยินพวกพูดกันอยู่นะ ตายแล้วเกิดไม่มีอะไรขั้นเห็นท่านก็พูดกันอยู่นี่คือเห็นความเกิดความตายกสุรจิตตัวนั้นอาการอย่างนั้นดับตายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งมีต่อหน้าต่อตาก็หมายความว่ามีจักรุมีวิชามีจักรุมีญาณมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างตามที่พระเจ้าทักํำหนดไว้หมดนี่เห็นเลยรูดยาณด้วยวิชา สว่างสว่างไม่ใช่ไปดับมืดมืดนิโรดมืดนี่คือตายคือดับกิเลสดับเห็นความดับอย่างสว่างสว่างไม่ใช่ไปดับมืดแล้วก็ตัวเองไม่รู้อะไรเลยเป็นอสัญญีสัตว์หรือเป็นดับเนวะเสนญาณะสัญญาญาตนาแล้วก็ดับไม่รู้เรื่องเหมือนกันแทนที่จะเป็นตัวสุดท้ายของความรู้ไม่รู้ไม่ได้นิดนึงน้อยนึงก็ต้องรู้จะเหลือว่ารู้มั่งไม่รู้มั่งไม่ได้จะรู้ไม่ใช่หรือไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ ต้องทำความรู้ให้สมบูรณ์แบบเลยมีสัญญาเวทยจิเย ต, ตเตงให้สัญญากำหนดเคลียร์อารมณ์ทั้งหมดในความรู้สึกทั้งหมดจนเห็นนิโรจจนชัดเจนว่า น, น, นิโรธแน่สัญญาเวทยจิเยตเต็งนิโรธทังโหติจนมีผลสาเร็จของการนิโรธและเรียกว่า น, นิโรธเกิดก็เป็นโวหารจัด นิโรธเกิดก็หมายความว่ามันเป็นผลสําเร็จของกิเลสดับกิเลสตายกิเลสไม่มีแล้วมันมันเกิดนิโรธได้คือความตายความดับความสูญมันหมดไปในจิตเราได้จริงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดที่ใจตรงนั้นแหละแดนเกิดสัมภาวะหรือปภ ะ, ะ, ะตรงนั้นกิเลสตายกิเลสเกิดเห็นความเกิดความดับเห็นอย่างนี้ ก็พูดกันว่าเราเห็นความเกิดความดับแต่เป็นตักกะเอ้เห็นเกิดจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอันนี้แสดงว่าเดาเห็นจิตเกิดดับเกิดดับจิตมันเกิดดับเกิดดับกิดดับตลอดเวลานี่เดาท้งนั้นตักกะทางนั้นเลยตักกะตักกะคืออะไรก็เป็นพูดว่าเห็นจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็แสดงว่าคุณเองว่าจิตมันเกิดดับเกิดดับนะมันยังไงอ่จิตมันเกิดดับเกิดดับ จิตตุนไหนยังไงมันเกิดดับเกิดดับมันต้องชัดที่ว่ามันอะไรเกิดจิตยังไงเกิดอรตะมาบอกไอ้ตัวสมุทัยนะีมันดับมันตายแล้วจิตใหม่ก็เป็นโอปปาติกะโยนี้ก็ผุดเกิดทันทีทันใดไม่มีอะไรขั้นไม่มีซากการตายเพราะจิตไม่มีซากไม่มีส่วนดินน้ำไฟลมอะไรไม่มีสรีระไม่มีอะไรเลยมันเป็นภาวะอาการทานั้นมันะดับ ก็เห็นความดับความเกิดอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นถ้ามนาุิยการไม่ชัดเจนทาไม่เป็นอย่างที่อัตมาว่าคุณปฏิบัติโยนิโสมนุษย์การไม่เป็นไม่ไม่สมาธิทิเพราะสมาธิทิฏฐิทูต้องโยนิโสมนุิย์การอย่างสมาธิทิิต้องในฟังสัตตบุรุษฟังบริบูรณ์นะพบสัตตมุรุษฟังสัตตมุรุษอย่างบริบูรณ์ จึงจะเข้าใจเห็นได้เชื่อถือเป็นศรัทธาบริบูรณ์จึงเพราะศรัทธาจึงจะโยนิโสมานสิการบริบูรณ์ในอวิชชาสูตอย่างนี้เป็นต้ น, นซึ่งสูตรต่างๆนี้เอามายืนยันอ้างอิงทุกอย่างได้สอดคล้องหมดไม่ขัดแย้งกันเอาผ่านมนสิการที่นี้มานสิการเนี่ยจะปฏิบัติได้ต้องมีผัสสะ เป็นสมุทัยในมูลสูตอีกหนึ่งมีฉันทะเป็นมูลสองมีมนสิการเป็นแดนเกิดเป็นสัมภะสามมีผัสส ะ, ะเป็นเหตุ เ, เ, หตเกิดเป็นสมุทยัจทยจทยายใช้คาว่าสมุทัยด้วยนะเหตุตัวนี้จะใช้สมุทัยด้วยคนก็จะเมาเอา้าก็ในเหตุอเยสัตมันคือจันทา กิเลตนาอุตารอั น, นี้ผัสสะมันคนละเรื่องกันนะตนาก็ผัสสะมันมันคนละสภาวะนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจถึงสมุดไทยตั้งใจเข้ามาสมุดไทยเลยถ้าไม่เข้าใจชัดพวกนี้ก็มันก็เพียนผิดนะนี่คือตัวบอกให้ชัดเจนแล้วว่าการปฏิบัติต้องมีการผัสสะเป็นสมุดไทยถ้าไม่เรียกเป็นปัจจัยเท่านั้นมีผัสสะเป็นปัจจัยเพื่อให้เกิดวิญญาณแล้วนี่เป็น การปฏิบัติมณสิการและต้องมีสมุทัยเป็นนี่ละมูลมูลสูตรมีผัสสะเป็นปัจจัยเป็นสมุทยัยนะเพราะการปฏิบัติขาดผัสสะไม่ใช่ภาคปฏิบัติของศาสนาพุทธไม่มีกายเป็นปัจจุบันที่เรียกว่าต้องสัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายทั้งภายนอกภายในเห็นอยู่หลัดหลดเลยมีปัสติมีการเห็นอยู่เดือนนี้ปัจจุบันมีวิหรติ ทุกอิริยาบถสำเร็จอิริยาบถอยู่มีวิหรติอยู่ปัจจุบันเลยวิหรารตินี่แปลว่าปัจจุบันอยู่ขณะนี้อยู่ต้องมีวิหรติอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งละเอียดลึกซึ่งมากอาตมาพูดไปนี่ถ้าผู้ที่ท่านศึกษาบาลีศึกษาธรรมะมาดีๆฟังอาตมาด้วยใจไมอ่อคติสุดสูดสร้างะระเต ป, ปัญญ์ฟังได้ดีจริงๆนะจะเข้าใจดีมากเลย จะได้รับความรู้เพิ่มเติมเป็นปรตัตโตโฆษะแต่ถ้าฟังอัตมาเหมือนอาบน้ำกลัวเปียกอัตมาใจสับออาบน้ำกลัวเปียกฟังอัตมาเหมือนกันจะอาบน้ำแต่ว่าเอ้ยกลัวจะเปียกแล้วมันจะได้อาบน้ำไหมละ่ะฟังอัตมาก็ฟังไปภาษงั้นไม่แต่น้ำเลยไม่แต่น้ำเลยกลัวเปียกฟังผ่านไปงั้นน่ะน้ำน้ำน้ำ เห็นน้ำมีน้ำอาจจะแตะน้ำเฉยเฉยแตะเอามือจุ่มแต่ไม่ได้กล้าอาบมันกลัวจะเปียกไม่เอาเข้าไปในหูไม่ได้เอาเข้าไปในใจอาจจะเข้าหูเพราะได้ยินแต่เข้าใจไม่ได้พิจารณาไม่เข้าใจไม่เข้าไปกต้องยาวแต่เข้าใจเลยเข้าถึงเลยมันไม่เข้าถึงนะ มีผัรษเป็นสมุทัยมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงสมสุสนาท่านใช้บัญญัติว่าสมุสนาตัวเวทนานี่แหละประชุมลงจริงๆเลยประชุมลงเป็นเวทนา 108. ร้อยแปพอกระทบสัมผัสและพิจารณาประชุมกันขึ้นมาประชุมลงก็คือประชุมเข้าเป็นกายเมื่อประชุมเข้าเป็นกายก็ลงไปถึงจิตกายก็คือมาเป็นจิตลงไปที่เวทนา เวทนาคือความรู้สึกคืออารมณ์ทั้งหมดก็ต้องตัวนี้แหละต้องอ่านต้องวิจัยธรรมวิจัยตัวนี้แหละสำคัญมันสุขมันทุกข์แล้ว ก, ก็แยกเวทนาไวถึงร0 8แปกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวารกระทบทางตาอัตมากระทบเนี่ยมักฮุมอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอามา อธิบายเป็นอุปกรณ์การบรรยายมังหงสุภาษาอีสานมารุ่งหุงมีมากคารุ่งพี้มันเป็นภาษาพกกลางมารุ่งหุงแปลว่ารุ่งเรืองุงแปลว่ารุ่งนี่แหละฮุงฮุงก็ไปสว่างหุงนี่ยไปสว่างนี่มาฮุงมาสว่างมารุ่งเรืองมารุ่งผกระทบด้วยตามีผัสน กระทบแล้วประองประชุมของการเกิดปัสสาปะปสสาทรูมีโคจรรูปกระทบสัมผัสก็เกิดวิญญาณเป็นพัรษสามพอเกิดวิญญาณก็ไปองค์ประชุมของไอ้ น, นี่มันจะเป็นสังขารกายในกายก็เป็นกายสังขาร อ, องประชุมของกายก็เป็นกายสังขารเมื่อเป็นกายสังขาร องประชุมที่มันปรุงแต่งกันอยู่นั้นก็พิจารกายในกายที่เป็นกายสังขารนี่เข้าไปหาจิตเข้าไปหาเวทนาไปหาเจตสิกอานันในกายมันประชุมอยู่ีจิตนั้นในกายจะประชุมกันอยู่เนี่ยรวมเรียกโดยองค์รวมจิตนี่เป็นขมันนาวเป็นสามัญยนามส่วนกายตอนนี้คือสักกา ย, ยะเป็นพระพุทธนาวเรา มียานรู้แล้วสังโยชน์ข้อที่หนึ่งสักกายะเราเห็นแล้วรู้สภาวะนี้มันประชุมกันแล้ว mm hmm. ก็พิจารณาเข้าไปในองค์ประชุมนั้นแจกออกมาก็ mm hmm. จากจิต mm hmm. ก็ในจิ ต, ใน จ, ตในจิตเข้าไปอีก mm hmm. เพื่อที่จะเจาะเข้าไปให้เห็นตัวเหตุสมุทยัย mm hmm. เพราะมันประชุมอยู่เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเป็นเวทนาก่อน mm hmm. สังขารประชุมกันปุ๊บนั่นแหละมันคืออารมณ์คือเวทนา คนอวิชชาไม่รู้สังขารไม่รู้เวทนาหรอกตามปฏิสมุบบาทอวิชชาไม่รู้จากสังขารอะไสังขารกายสังขารเป็นยังไงจิตสังขารปจิตสังขารเป็นยังไงไม่รู้เรื่องแยกสังขารไม่ออกเพราะฉะนั้นจะไปทําให้เกิดอภิสังขารเป็นปุญญาภิสังขารนปุญญาภิสังขารในเนจารภิสังขารทําไม่เป็นเราเป็นผู้สังขารเราเป็นผู้ทําสังขารนี่แปลว่าการจัดการแปลว่าการทําเลย แปลว่การปรุงการตกแต่งการทำให้มันเจริญถ้าไม่สามารถทํามันก็ทําคุณนั่นแหละสังขารมันก็ทํากิเลมันทํากิเลมันจัดการกิเลมันปรุงแต่งกิเลมันเป็นเจ้าวงการไปเลยคุณก็ไปกับกิเลมแต่ถ้าเราปฏิบัติเรามีสติสัมปชัญญะปัญญามีพลังมีวิเศษอำนาจเราจัดการเราสังขารเป็นอภิสังขารไม่ใช่เราไปได้กิเลมันสังขาร ปล่อยให้ผู้รายสังหารอยู่กระแจ้งกัอยู่ยนี่ก็อวิชชาเพราะเราจะต้องมีความรู้สามารถรู้สังหารองค์ประชุมของทั้งรูปเรีนามเป็นกายยสังการพอมาเป็นเวทนาก็แยกเวทนาออกเกิดจากตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิล่นลิ้นกระทบรสเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะรู้ว่าโอนี่มันกระทบปั๊บมันเป็นทุกข์แค่มันเป็นทุกข์กแก มันไม่สูงไม่ทุกข์แกนี่เวทนาสามมันแรงให้มันเบาให้เอาอินทรีห้าเป็นเวทนาหก็ได้มันเบาอยู่มันแรงอยู่อะไรเนี่ยเป็นภายนอกมาเลยหรือว่าเอาอ่านไปถึงภายในเป็นสมมนัติหรือว่าเป็นสุขหรือเป็นโทมนัตหรือว่าเป็นทุกข์ก็ไรว่าไป <Yeah. S 1> ก็ดีกลีของมันห้าอย่างก็คือสุขทุกข์นี่แหละดูเฉยๆนี่แหละ เวทนาสาเกิดทางตากระทบรูปนี่อาตมากระทบรูปนี่กระทบมรกรนี่แล้วก็เกิดจิตโอ้ยินดีมันมมันม น, ม น, ม น, น่าเจ๊ะนะ่นเนี่ยโอ้ยขาก็าไปคงกลิ่ค ง, งหอมรสคงดีอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนยิ่งชอบมรกรเลยแบโอ้โหเท่าไหร่เท่าไหร่ขายเท่าไหร่ซื้อเลยเอาไปเจ๊ะที่บ้าน จิตมันเกิดชอบมันเกิดมีปรุงแต่งมันเกิดอุปาทานตามที่เราหยุดไว้ว่าโอ้ยอย่งนี้ใช่อย่างงี้แลมันจะน่ากินอย่างนี้เราชอบมันเป็นอนุสัยเป็นกิเลสอยู่มันก็ปรุงอยูมันเกิดอาการสุขทันทีชอบใจก็สุขไม่ชอบใจทุกข์หรือเฉยสัมผัแล้วก็เฉยวิเขาอุทกกมสุขตามระษาไม่ใช่อุทกกรรมสุข ที่เป็นเนกขมะในเวทนาร0 8ยมีเวทนา18ดเกิดจต่างหูจมกูกร่งกายใจ6 6 6, 6 ท, ทวารเนี่ยสา ม, มารถที่จะผสะแล้วก็เกิดทุกเกิดสุขเกิดไม่ทุกขไม่สุขได้ทั้ง3อย่างก็เป็น18เป็นมโนปวิจาร18ถ้าเป็นโลกียาวิชาเป็นเจ้าเรือน อวิชาเป็นตัวบงการเป็นตัวจัดการปรุงแต่งทำอยู่สังขารอยู่คุณก็เป็นเคหาสิตะไปตลอดเวลาเป็นสุขเป็นทุกข์สุขก็สบายใจทุกข์ก็ใหม่สบายใจอยากได้มากคุณก็แย่งเอาชิงเอาซื้อเอาสุจริตบังทุจริตบังก็แล้วแต่ก็มาเป็นตัวกูของกูไปตามประสาแต่ผู้ปฏิบัติแล้วจับตัวกิเลสได้ ทำให้กิเลสลดเป็นเนกขมัสิตะขึ้นมาอีกสิบปจากทั้งตากระทบรูปหูกระทบเสียงเรื่อเกิดเป็นสุเป็นทุกข์18ลักษณะนี้แหละผู้ที่ปฏิบัติทำอ่านจิตในจิตมณสิการเป็นทำใจในใจเป็นรู้จิตรู้เวทนาจิตธรรมรู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตและทรงไว้ซึ่งธรรมหมายคำว่าจิตมัน ตอนนี้มันทรงไว้ซึ่งกิเลสกำลังจับกิเลสจะเอากิเลสออกพอกิเลสออกได้จิตก็ทรงขึ้นใหม่เป็นการทรงไว้ซึ่งจิตไม่มีกิเลสตัวไหนที่เอาออกก็ตัวนั้นแหละไม่มีตัวที่มันมีเหลืออยู่ก็ทามันต่อเอามันออกอีกมันก็จะทรงทำขึ้นไปสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นแต่ก็ไปแปลกลัน ว, ว่าธรรมคือธรรมชาติวันนี้ก็อาตามาดูโทรทัดแต่ก็บอกท่านเรียนอภิธรรมมาแต่เป็นพระ ท่านรรนี่คือธรรมชาตินะอธิบายทำรรอะไรเนี่ยอธิบายทำอันนี้อธิบายโ น, น้นนะอธิบายในระดับทำขั้น อ, อ, อุตตพีชานะอุตนิยามพีชนะนิยามจิตนิยามการทำมรรคมรรมนรยามธรร ม, า ม, ม, า น, า ม, มานิยามโ น, น, นเน่แล้วไปอธิบายธรรมตัวนั้นว่าธรรมชาติ <laughs> เป็นธรรมชาติ แต่ถ้าที่ดับชาติเลยตัวสําคัญธรรมะมันคือการทรงไว้ซึ่งการสะอาดบริสุทธิ์ธรรมะที่ไม่มีอธรรมไม่มีธรรมจารย์มันไม่มีเกิดซึ่งเป็นปรมาตุดับความเกิดด้วยดับชาติดับชาติด้วยซึ่งอันนี้ลึกซึ่งเดี๋ยวนี้อาตมา ก, ก็สงสารนะเรียนกันท่านก็บอกกันท่านเรียนมาเรียนจริงจริงท่านเรียนกันแต่อาตมาขออาภายัยเถอะมันไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์มันไม่ถูกนะก็ขอสรุป รวบกันซะหน่อยหนึ่งว่าเมื่อปฏิบัติเวทนาเป็นเข้าไปถึงจิตรู้สมุทัยของจิตตัวสมุทัยคือตัวกิเลสตนาวประธานแล้วก็กําจัดตัวนี้ได้จึงเรียกว่ามณสิการเป็นก็ลดกิเลสไปได้เรื่อยๆปุญญกําจัดกิเลสไปได้เรื่อยๆเป็นส่วนแห่งบุญปุญญภาคหรือปุญญภาคยาเป็นบุญญภาเป็นส่วนแห่งบุญแม่จะยังเหลืออาสวะอยู่เป็นาศาสวะก็เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขัน อุปทิเวปากาก็สะอาดขึ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารในนิธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็สะอาดขึ้ น, นเรื่อยๆขนานหน้าก็เป็นประโยชน์นะอุปทิเวปากาก็ลดกิเลสไปตามลําดับเรื่อยๆจนหมดอาสะวะก็เป็นอนาสวะได้ก็เป็นส่วนแห่งบุญไปตามลําดับนะปุญญภปากิยาหรือปุญฺญ คุณจะภาคนะอย่างนี้เป็นต้นก็ปฏิบัติในเวทนานี่แหละอ่านเวทนาร0 8ยเป็นทาเวทนาเป็นเนคขมะเนคขมะเนคขมะก็เกิดฌานเกิดสมาธิเกิดล้างกิเลสฌานเพ่งเผาฌานเพ่งรู้วิจัยต่างๆแล้วพลังของฌานฌานคือไฟไฟกองใหญ่ไฟพิเศษที่มันล้างเผากิเลสไป เผ่าไฟราคาเผ e าไฟโทรศสาท์เผ่าไฟหมดลดลงไปเรื่อยสั่งสมลงเป็นสมาธิเป็นประมุขในมูลสูตรต่อข้อต่อจากเวทนาก็มีสมาธิเป็นประมุขตกผลึกลงสั่งสมผลที่ได้ของจิตสั่งสมไปทาซ้าทารักษาผลไปเรื่อยก็เกิดอเนจชาเกิดตั้งมันเกิดแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยเรืๆเร่ยเร่อยเรื่นย่เืยเ่เรื่อย อย่างนี้เป็นต้นจากข้อสมาธิเป็นประมุกแล้วก็มีสติมีปัญญาสติเป็นอธิปไตยปัญญาเป็นอุตระท่านปแปลอธิปไตยว่ายิ่งท่านปแปลอุตระว่าใหญ่ใหญ่มี ม, มีมีสติเป็น เป็นใหญ่มีปัญญาเป็นยิ่งนะก็ร่างวสับสอยู่ไม่รู้ว่าท่านใส่มันก็มันมีความให้ความหมายใหญ่ก็ยิ่งนะเอาอำนาจเป็นใหญ่นะเอาอาธิปไตยเป็นใหญ่นะเอาความเฉลียวฉลาดแท้จริงระดับปัญญาระดับอธิ ป, ปัญญาระดับอภิ ป, ปัญญาเป็นยิ่งเป็นอุตระด้วยปัญญาเนี่ยจะอยู่เนือเป็นอุตระนะ ทั้งอธิปไตยทั้งสติและปัญญาเนี่ยจะช่วยจะช่วยการปฏิบัติสมาธิปฏิบัติตั้งแต่ข้อหนึ่งมาตั้งแต่ฉันทะมณสิกการพัสะเวทนาสมาธิสติกับปัญญาก็ช่วยปฏิบัติอยู่ในนี้ปตลอดจนเข้าสู่อุตระเข้าสู่จนไปถึงอนุตระนั่นแหละเข้าสู่อุตระไปเรื่อยๆหมด สภาวะของอาสวะเป็นอนาสวะก็เป็นวิมุตเป็นแก่นตรงนี้แหลคะคําว่าแก่นมีวิมุติเป็นแก่นภาษาบาลีภาษ า, ร ะ, าระนั่นแหละในโมนสูต ร, รท่านก็ใช้สาระไม่ใช่ในจุลสารุปรมสูตรท่านก็ใช้สาระเหมือนกันเป็นแก่น ก็ได้แก่นได้แทะในเนื้อสาระของศาสนาแท้จากพิมุติก็ถือว่าผู้นี้เป็นบุคคลผู้ที่จะเดินแล้วไม่มีความเกิดความตายเรียกว่าอมตะเพราะกิเลมันตายไปแล้วมันไม่เกิดอีกกิเลมันตายแล้วก็เป็นผู้ไม่ตายไม่ตายเพราะมันไม่เกิดมาให้ตายกิเลมันดับศูนแล้วมันนิจังตุวังสะสตังวิปปะินามะทะมังอสังังอสังกุปปังมันตายแล้วตายเลยอสังกุปปัง ตายแล้วไม่ฟื้นมันก็เลยไม่มีอะไรมาให้ตายอีกเรื่าอมตะมันตายแล้วไม่มีอะไรมาเกิดอีกนี่ธรรมาไม่ได้เล่นลิ้นไม่ได้เล่นคารมนะอธิบายสภาวะอรรมาเอาสภาวะมาอธิบายมันเป็นอย่างนี้จริงๆสุดยอดเลยเพราะอมตะบุคคลผู้ที่มีจิตเป็นอมตะตัวนี้แหละคือผู้ที่ไม่เกิดไม่ตายแล้วเพราะคําว่าไม่เกิดไม่ตายไม่ใช่เรื่องลึกลับ ไม่ใชเลยพูดเล่นอมตะสิ่งนี้อมตะและไมาแปลว่าอมตะว่าไม่ตายก็แปลว่านี่รันดอนไม่มีการตายอีกไม่มีการดับอีกไม่มีการสูญอีกก็ใช่จะเอาเรื่องของสัจจะสารสัจจะก็มันก็ใช่เพราะไม่มีอะไรจะเกิดแล้วมันจะตายอะไรตายอีกแล้วมันไม่มีอะไรจะเกิดมาแล้วมันจบแล้วอะแล้วมันจะเอาอะไรมาตายอีกก็ถูกสิน Barnes ีรันดอนอันนี้แหละคือความเทียม นิจจังทุวังสัสะตังวิปปินามัธมังสังเลียงสังกุ ป, ปังตายไม่ฟื้นไม่กลับคำลเลือกก็นิจจังนี่ละเที่ยงแต่เที่ยงตัวนี้อะไรอะไรศูนย์เที่ยงไม่ใช่ความมีศูนย์ตัวนี้คือไม่มีจิตจิตตัวที่มันตายเนี่ยมันไม่มีมันไม่เกิดอีก แต่ที่ความหมายไปบอกว่าอมตะนิรันนั่นนะอมตะนิรันดรถ้าไปหมายถึงจิตนี่เป็นอมตะนิรันต์เพราะงั้นเทวานิยมก็บอกจิตนี่เป็นนิรันต์จิตนี่อมตะจิตนี่นิรันดรมันคนละความหมายเลยแต่ของพูดนั้นหมายถึงอมตะเพราะว่าไม่มีจิตเกิดแล้วตายสนิทไม่มีเกิดอีกดับอีกสูงกว่าคำว่ายัางเรือความมี จิตยังมีนิรันดรยังไม่สูงอ้ น, นี้จิตมีไหมจิตพระอาหารหันต์ที่ยังไม่กายาสเพทาหรือยังไม่ปรินิพานที่เป็นปรโยสารซึ่งเป็นตัวที่สิบของมูลสูตรหลังจากอมตะอีกทีนึงเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์อยู่ที่ตรงนิมุิก็เป็นอาหารหันต์และเป็นจิตอาหารหันต์เป็นบุคคลหรือเป็นผู้ที่มีอมตะธรรม ทรงไว้ซึ่งทรงไว้อะไรทรงไวซึ่งความไม่เกิดไม่ตายจิตไม่กิเลสไม่เกิดอีกแต่จิตเกิดไหมยังเกิดอาศัยอยู่มีจิตอาศัย อ, อย่างลงไปในจิตอาศัยนี้ตัวนี้เป็นอมะตะอย่างลงที่ตรงจิตตรงนี้เขามไม่เกิดไม่ตายอย่างลงที่จิตอันสะอาดอันนี้ พระจิตสะอาดอันนี้เป็นของพระอาหารหันต์มีมุตดแล้วอมตะแล้วเป็นอาหารหันต์พระอาหารหันต์ยังไม่ตายแต่เป็นผู้ที่มีนิพานนพานแล้วบริบูรณ์เมื่อมีนิพพานแล้วบริบูรณ์แต่ท่านยังไม่ป ร, รินิพพานเป็นป ร, ริโยสานไม่ดับสิ้นเหมือนที่พระเจ้าท่านตรัสในพรมโมชาาสูตรว่าท่านจะสุดท้ายท่านป ร, รินิพพานเป็นป ร, ริโยสานเนี่ จะไม่มีใครเห็นท่านทั้งรูปทั้งนามไม่มีใครเห็นท่านอีกเหมือนพวงมะม่วงท่านเปรียบเทียบตัดขดั้วตัดขาดตกลงมาแตกกระจายทุกอย่างแตกกระจายหมดไม่มีรวมติดกันอีกท่านใช้คํานี้ด้วยไม่มีอะไรมารวมติดกันอีกซึ่งอาตมาก็ขยายความว่ามันเหมือนกับเอาภาษาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เหมือนเหมือนกันน้ําแยกธาตุออกมาเป็นแกส๊สเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจน H2O คือธาตุ <M g. S 1> ที่มันมันมันรวมกันตัวกันเกาะกันขึ้นมาเป็นธาตุน้ำซึ่งวิศิทธ์าทางวิทยาศาสตร์ทางรูปธรรมชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันรูปนามของภูมจักไม่เหลืออะไรอีกแล้วหรือของผู้ที่บรรลุปเป็นพระอาหารหันตทุกองค์ที่เป็นอมตะหรือผ่านมตริแล้ว นี่คือมู ล, ลสูตรที่สมูลแบบอีกเป็นหลักวัดชัดเจนพุทธมีสภาวะจะอธิบายได้ดีเลยขออาภัยนะอัตมาไม่ใช่อวดตัวอัตมาอธิบายตามสภาวะที่มีพญยาย น, นาคก็สื่อสภาวะอัตมาก็ชัดเจนในสภาวะผลที่เอามาอธิบายเป็นภาษาอัตมาวันไปใครเข้าใจเห็นด้วยก็ลองมาพิสูจน์ตามอย่างนี้แหละ ถ้าไม่เห็นด้วยก็มันมันมันสิทธิอยู่แล้วใครไม่เห็นด้วยไม่เชื่อถือมันมันเปบังคับกันไม่ได้หรอกอาตมาก็ไม่ม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดให้ใครเชื่ออาตมามีสิทธิ์พูดความจริงเท่านั้นเองส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเอาก็ตัวใครตัวใครไม่ได้ไม่ได้ไปบังคับใครนี่คือสัจจะอีกอันหนึ่งที่ยืนยันถ้าจะเปรียบจะเทียบไม่ใช่เปรียบเทียบตรวจสอบตรวจสอบจริงๆ มีกันบ้งไม่ล่ะในยุคนี้เข้าใจแล้วก็ทำได้เป็นสภาวะอันนี้ในตัวเองขึ้นมาผู้ที่เอาสภาวะมาอธิบายกับผู้ที่เอาพยัญชนะมาขยายความต่างกันนะฟังแล้วก็ผู้ที่ฟังมีปฏิภาณดีๆจะฟังรูกก้คนนี้ไม่ได้พูดมาจากภาษาอ่านมาแต่พูดมาจากสภาวะ ทัพจัตที่ตัวเองมีจริงๆซึ่งมันจะไม่ไม่ตรงเป๊ะกับพยัญชนะเหมือนที่ท่านประเรียนทั้งหลายท่องกันแล้วก็ผิดคํานึงก็สอบตกกันอยู่เนี่ยซึ่งก็ดอีอันนั้นก็ดีแต่บางทีมันก็ลายมันเงินมันก็นนกโอ้โหท่านอธิบายอื่นมันไม่ผิดแต่เจอ ก, กัเนเรียนแต่พยัญชนะไม่ตรงเรื่องเอาตกเลยผิดคําเดียวก็ตกพอป ร, ริยนเก้าสอบไม่ได้ป ร, ริยนเก้านี้ พอเรียนแปไม่ได้ขึ้นบริการเพราะไอค้คำเดียวตกคําเดียวตรงนี่ปีสองปีฉันก็เลยบอไม่เอาแล้วหลายอกหลายท่านหลายท่านออกศึกไปแล้วไม่เอาแล้วอตาตมารู้จกักหลายท่านสอบไปรเรียนแปไม่ได้กลา้าเพราะผิดคําเดียวไม่ให้พ่านหลายปีดีดักไม่ไหวแล้วเออก็เลยไม่เอาแล้ว ลาไปเลยเอาแค่แปดนี่แหละไปเอาอื่นไปเอาด็อกตงด็อกเตอร์ไปเอาอะไรไปมีหลายท่านอันตมาผู้จักเคยพูดกันอยู่นีที่จริงไม่ก็ไม่น่าตำหนิอะไรหรอกใช้ได้ที่จริงรักษาสิ่งที่อันนั้นไว้มัน่นคงเพราะว่าคําที่แปลของตำ น, น้นไม่ผิดแต่มันไม่ไปพอมันอื่นมีอีกแต่ท่านเองท่านไม่เข้าใจสภาว่าท่านก็เลยซื้อพาซื้อแต่แค่นั้นมันก็เลยแคบ มันก็น่าเห็นใจเหมือนกันแหะเพราะว่าท่านจะเปลี่ยนเป็นอื่นๆท่านก็ไม่แน่ใจเพราะาท่านก็ไม่รู้ว่าผู้ท่านสอบผู้ท่านให้คะแนนท่านก็ไม่รู้จะทําไรมันก็ได้แค่นั้นโอ้เหลือมันดูเวลาแล้ว19บเสเมื่อกี้ปลาเข้าไปเท่าไหร่ใครดูนาฬิกามั้งเมื่อกี้คอสชเราลองเพลงก่อนแล้วก็ก็เมาส์ยี่สิบก็แล้วกันแต่ตอนนี้มัน19บเ้าสามแล้วน่ เทตมาพูดนี่พูดพยัญชนะซึ่งสื่อจากสภาวะมาให้ฟังว่าถ้าเป็นอย่างที่ว่านี่แหละท่านทั้งหลายที่ฟังในวงการศาสนาเป็นรู ป, ปรธรรมเป็นสภาวะในคณะนั้นสำนักนันสมนักนี้ที่ท่านปฏิบัติกันมีสภาวะสภาวะธรรมอย่างนี้กันไหมละ่ะถ้ามันไม่มีมันก็สูญไป มันก็เสื่อหมหายไปดังที่พระเจ้าตรัสไปในะนเมลือแต่ตะโพลานากะตรองอานากะในอานิสุมันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วมันมีแต่ชื่อพุทธไม่เหลือนั่นเองมีแต่ชื่อว่าพุทธแต่เนื้อหรือแก่นหรือสาระต่างๆที่อาตมาไล่ตั้งแต่จูรัสสารุปรมสูตรมา มันได้เต็มใบกับกิ่งต่างๆคือได้แต่ลาบสการะสําเสริญกันเต็มไปหมดอยู่เดี๋ยวนี้เห็นกันเต็มไปเลยอยู่ในวงการาศาสนานะเรียนไปบวชเรียนได้มาศึกออกมาก็มันได้ลาบสการะเต็มไปหมดเลยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้มาเป็นาศาสตราจารย์ได้มาเป็นราชบัณฑิตได้มาเป็นอะไรยเยอะๆเลยเดี๋ยวนี้ ก็ได้แต่ลาบส ก, การะสั่นเสริญศีลยิ่งศึกออกมาแล้วไม่เหลือเลยสกเก็ตก็ไม่มีสมาธิไม่ต้องพูดเพราะมิชชาสมาธิกันเ่อะเดี๋ยวนี้พิจาขอยืนยันและขออภัยอาตมาว่าไม่เป็นสมาสมาธิเลยเอามาหาจตารีส ก, กัสูุไปตรวจกันดีๆเถอะมันไม่เป็นนะ มันจะตรวจเวทนาร้อยแปหรือตรวจสังคัปะเจเนี่ยสังกัปปะเจตนั่นแหละมนาสิการคือการทำใจในใจรู้จักต ก, กะวิต ก, กสังปะอัปปนาพย ป, ปนาซึ่งก็เป็นแกนของปัสจักิกับแกนของปัญญาสองแกนแกนเจโตกับแกนปัญญาอัปปนาพย ป, ปนาเจซมิรุปนาเป็นความตั้งมัน่นกวแข็งแรงกับปัญญา แต่จึงจะเป็นสังขารวจีสังขารเพราะงั้นในองค์ธรรมเจ็ดของสังกัปปะเนี่ยถ้าท่านเข้าใจไม่ได้ไม่มีสภาวะรองรับท่านทําไม่เป็นหรอกท่านกจะไม่รู้ว่าวจีสังขารคือยังไงกายสังขารจิตสังขารวจีสังขารซึ่งจิตสังขารมันไม่ใช่วัจกรรมไม่ใช่กำยังไม่เป็นกรรมแต่เป็นวัจีสังขารสังขารอยู่ในใจมันเป็นจิต วจิสังขารนี่เป็นส่วนหนึ่งของจิตสังขารหรือเป็นส่วนหนึ่งของกายสังขารวิจีสังขารมันส่วนในของกายสังขารจิตสังขารในสังกปะเจตถ้าเข้าใจแล้วก็จะชัดเจนวจีสังขารนี่เป็นต้นเพราะเอาวิชาไม่รู้จักสังขารก็คือนี่แหละไม่รู้จักกายสังขารจิตสังขารวิจีสังขารไม่รู้จักสังขารเพราะแตกไปเป็นวิญญาณแตกไปเป็นนามรูปแตกไปเป็น อยายตนะผัสสะเวทนาไม่ได้จับตนาไม่ได้ล้างตนาไม่ได้ ก, กับจัดตนาไม่ได้เวทนาก็ไม่สะอาดผัสสะก็อยู่เนื้อไม่ได้นะบิณฑ์ยาณก็ไม่สะอาดสังขารก็ไม่สะอาดอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คืออัตมาพูดถึงสาระ แนสารของธรรมะพระพุทธเจ้าแม้แต่ขยายความบอกมาหากระพีมาหาเปลือกมาหาสเก็ดมาหากิ่งใบรวมแล้วเหลือแต่กิ่งใบดอกผลที่ยั่วยวนท่านไม่ตรัสว่าดอกผลด้วยนะมีดอกมีผลไม้ยิ่งยั่วยวนใหญ่เลยดอกงามผลสวยเป็นเรื่องของโลกีไปเต็มเลย มันไม่เข้าไปหาปรมัทิตย์ไม่เข้าไปหาใจศีลก็ไม่เข้าไปหาใจสมาธิก็ไม่เพี้ยนไปนะปัญญาก็ไม่ใชนะ่ปัญญาก็เป็นตักกะซะไม่ใช่เป็นปัญญาที่เป็นอภิปัญญาที่ได้จากอธิปัญญาสิกขาที่รู้จักเห็นจริงมีปัสจัของจริงอยู่อามตมาใช้แปรภาษไทยว่าเป็นรู้จักรู้แจ้งรู้จริจ ง, ร, งรู้จักคือสัมผัสรู้ รู้แจ้งคือมันชัดขึ้นมันมีองค์ประกอบดีขึ้นหมดนะจนกระทั่งถูกต้องรู้จริงครบรู้จักรู้แจ้งรู้จริงมันไม่เป็นความรู้แบบนั้นนะนี่ก็พูดให้ท่านตรวจสอบกันไม่ใช่ว่าอาตมามาเบ่งมาย ก, ยกตนข่มท่านมาอะไรตออะไรโลกนะเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันน่ากลัวมันน่าเสียดาย มันจะต้องช่วยกันเหมือนกับคอสชอต้องกอบกู้ประเทศไทยแต่ก็กอบกู้ศาสนาซะค อ, อสชอก็ให้ท่นนานคณะที่แจงดาวเทียมอยู่ไหนอ่ะ เนื่องจากเมื่อวานนี้ช่องบุิยมทีวีได้เปลี่ยนความทีใหม่ท่านยังดูไม่ได้และดูไม่ได้แล้วมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยพูดไปเนี่ยเนื่องจากท่านดูไม่ได้แล้วก็จะแจ้งไปตรงที่ดูไม่ได้นี่ท่านจะรู้ไหมเนี่ยคือมันซ่อนอยู่นี่นะเอาเถอะไม่เป็นไรก็ดำน้ำไปกันแล้วกันนะก็ให้มาแจ้งก็แจ้งไปดำน้าไป ก็ท่านดูไม่ได้แจ้งไปให้เพื่อที่จะให้ดูได้ท่านจะได้ทำก็ท่านดูได้แล้วก็จะไปจแจ้งแจ้งทำไมก็อ้อาวไม่เป็นไรก็แจ้งก็แจ้งนะท่านบอกว่าเหตุอย่างนี้หนึ่งโอ้โหต้อง8ลําดับหนึ่งให้กดเมนูเนี่ยมีติดมดมาก็กดเมนูสองไปที่เพิ่มดาวเทียมกดไปที่เพิ่มดาวเทียมบอเมนูแล้วก็ไป ไล่ไปที่ตัวเขาจะบอกไว้ไปที่เพิ่มดาวเทียมเสร็จแล้วสความถี่สามแป่ศเพิ่มดาวเทียมแล้วไปถึงความถี่ก็3 8 4 0 4ก็ไปที่อา ical, ่าเวอร์ติโก้ไปที่แนวตั้งอ่าเวอร์ติโก้ไที่แนวตั้งทีนี้ s ิ m บูเลต์หน้าห้าซิมบูเล0์สามง่ายๆไม่ต้องพูดยาว อ่าสามตัวอ่าสัญลักษณ์อ่าสิมโบลิมโบเรตเด็ของสิมโบลมันคุณสัญญาณของมัน 30,000 ทีนี้คนหาทีนี้ค้นหาเลยคนหาไปเลยปล่อยทั้งหมดค้นหาทั้งหมดสุดท้ายก็ค้นหาแล้วก็โอเคโอ้โหบอกละเอียดเลยเนี่ยโอเคแล้วก็ Exit แล้วก็กดออกจากเมนูลบไป ไม่บอกเรียกดีเหมือนกันแปดลำดับนะหนึ่กดเมนู2ไปที่เพิ่มดาวเทียม3ไปที่ความที3 8 4 0แปเป็นแนวตั้งนะ Vertical อ่าอ่านะบีวิวทิศก็ห้าอ่าสิมโบเลตนะสิมโบเลตสามหมืน่นะทีนี้ก็ให้คนหาทั้งหมดคนหากว่ทั้งหมดเลย จนเจอปั๊บก็โอเคกดโอเคโอเคแล้วมันก็ได้แล้วทีนี้คุณถ้าคุณไม่ exit ซคุณก็มีอันนั้นอยู่เมนูมันก็คาอยู่งั้นนะ่ะแล้วกดเอ็กอีกทีเมนูก็หายไปเอาละอาตรมาก็อธิบายให้มันสนุกหน่อยนึงนะกำนองนะอาทีนี้มาตอบประเด็นแล้วนะก็บอกผู้ที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องส่งประเด็นมาได้ยังไงในโมนน้อยเดียวนะไม่กี่เจ้าเลยนะสองสมเจ้า ก็บอกเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งประเด็นเข้ามาสองหมายเลขจดซ ะ, ดะมีใครมีดินสอบประกาก็จดถ้าจะส่งมานะถ้าไม่สนใจก็ไม่มีปัญหาแต่สนใจจะจดก็เอา1หมายไม้มีสองหมายเลข089 2660 574้าสองา่ 2 6 6 0 5 7กกับอีกหมายเลขหนึ่ง0ูนย์แอ่านอ่ อ, น 280, นอันนี้อกอันนึง2 8 0นอันนี้สองแปดศ2อห่าหมายเลขเอาทวนเร็วอีกนิดนึงเที่ยวหนึ่ง 1. 0 8 9 2 6 6 0 5 7กกับ082 4430271นะอ้าวทีนี้มาตอบประเด็นที่ส่งมาแล้วตอนนี้มีมาชึซสองซัมเบอร์สองสำรายเจ้าแรกนี่บอกจากคนในชุมชนนี่เองเขียนมาสัก้องความเข้าใจว่าหนึ่งเกี่ยวกับการประหารห้าแต่ทันกับประหารคือการละกิเลส ท, ที่ยังไม่ชำนาญ น, นานๆจึงจะทำได้สักครั้งหนึ่ง เหมือนในการปฏิบัติระดับชาญนหนึ่งส่วนสมุเทเฉตประหารคือการละกิเลสได้ในระดับชาญนสคือมีสติจัดการกิเลสได้อยู่เสมอนี่เขานีพู้เทียนมาในทวนอ่ก็ก็ขอขยายความหน่อยหนึ่งประหารหน้ามันมีตทงังประหารวิคำพนัประหารแล้วก็สมุเทเฉตประหาร และปฏิปสติปะหานะถึงนิสระณะปะหานะแต่ทางกระปหานมันแปลว่าทำลายเป็นครั้งครั้งเป็นครั้งนคราวครตอนนี้ก็เออทากิเลสลดได้หรือดับได้เป็นครั้งนี่เรียกว่าทำดังนิปัสนาตัทางกระปหานทําอย่างไม่ใช่ไปกดคมแต่ทําให้เกิดปัญญาปัญญาอานกิเลสออกและก็ใช้ปัญญานี่แหละพิจารณานิจังทุกคังอนัตตา พิจารณาความไม่เที่ยงมันไม่ได้ไปอยู่อย่างนี้ถนาดเทาวอรอมันไม่จริงหรอกมันไม่แท้หรอกมันเป็นของลวงมันเป็นตัวเหตุแห่งภาระตัวเหตุแห่งทุกตัวเหตุให้เราปลกการความชัดเจนของญาณตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเห็นจริงเลยเกิดวิปัสสนาญาณก้าเป็นต้นหรือจะรวมเป็นโสลญาณ16ก็ตามใจ แต่พิปสนายาน9เนี่ยมันจะชัดเจนตั้งแต่อุทัภ ย, ย, ยานุปัสนาญานนะแล้วก็พังค า, า, าตุปัสนาญานพยะตูปัทานญยานไล่ไปเรื่อยๆอาตมาคงขยายรายละเอียดของวิปัสนาญานละเอียดไปค ง, งจะไม่ไหววันนี้นะตอประเด็นก็เอาแค่พวกนี้ขออภัยผู้ให้พื้นฐานก็อาจจะลําบากนิดนึงมันก็จะต้องพยายามจริงๆ นั่นมเกิดยานพวกนี้ไล่เรียงไปจกนกระทั่งเป็นแล้วก็พระยตูประธานายานเป็นอาทีนวานุปัสสนายานเป็นนิพิทายานแล้วจึงปลืปล้มกลายปเป็นมุลจิตุกรรมยัตตยานก็ปล่อยละวางและคุณก็ทําสัมปติสังขารุปัสสนายานแล้วจึงจะตั้งมันขึ้นเป็นสังขารุเปกข า, ายานแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเป็นอนเนินชาไปตามลาดับรักษาผลไปเรื่อย แล้วคนก็จะสามารถสัจจานุโลมมิกยาเนี่ยานนสามารถอนุโลมปฏิโลมกับการทำงานกับผู้อื่นได้เรื่อย ๆ, ๆดังนี้เป็นต้นวิปัสนาญาณเก้า น, นะก็ขอขยายตรงนี้หน่อยนึงนี่คือวิปัสนาตะทังขับปหารจะเป็นอย่างนี้ส่วนวิคัมภนานะเป็นอุปการะการกดข่มก็กดข่มมันพอทําเนา แต่ถ้ากดคมไม่ให้ไปพิจารณาอาการมันเลยมันก็ไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นก็กดคมพอสมไปพอให้พอเราดูได้แล้วก็เห็นอยู่ตากส็สัมผัสอยู่กิเลสก็เกิดอยู่อ่านมันแล้วก็ทําให้กิเลสมันเห็นกับตาเลยอนุปัสสีเห็นว่าโอ้เกิดเห็นความไม่เที่ยงเข้าใจนี่แหละจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความแปรปรวนเห็นควา ม, มาไปทางอุทธัพยานุปัชนาญานมันเห็ไปทางเสื่อมทั้งหายทาัย้งสูญเรื่อย พังกาโนปัสนาญาณก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นอีกก็จนกระทั่งเข้าใจว่าโอ้โหอันนี้เป็นเราไปยึดมั่นถือมัน่นมันจะให้มันเป็นจริงให้มันมีอยู่อย่างนี้ตลอดกาลนานมันเป็นภัยพระญาตุปทานญาณจะเข้าใจว่าจะไม่ขยายความก็กลับมาขยายความอีกนจนกระทั่งเห็นโทษอาทิโนวานุปนัสนาญาณจนเกิดโอ้โหไม่ไหวเราอย่างนี้ไม่เอาแล้วเบื่อหน่ายนิพทาแล้วก็ปล่อย มูลจิตุก็ไม่ัตตยานยานมูลจิตุหรือมูลจิตตัยานปล่อยเรื่องออกมันจะไม่ได้ไปกดข่มแต่มันวางมันปล่อยมันอธิบายเป็นพยัญชนะถ้าอธิบายเป็นเชิงฌานมันก็จะมีพลังงานมีวัตีมีอํานาจสลายกิเลสไปอย่างเห็นต่อหน้าต่อตามีวิราคานุปัตสีเพราะมันเข้าใจว่าโอ้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันอนอัตตานะมันชัดเจนในไตรลักษณ์ ความจางคลายจะลดลงจนถึงขั้นดับวิราคานุปัสสนิโรธานุปัสสีดับมันดับได้นั่นแหละคุณสำเร็จเด็ดขาดเรียกว่าสมุทเฉตรประหารนั่นเออมันทำไรเด็ดขาดมันทำถึงขั้นดับทำอย่างนี้แหละปฏิปั ต, ปตสัธิประหารทำซำ้ำทำทวนทำรักษาผลทำให้มันเกิดอเนจชาให้มันแข็งแรงอย่างนี้แหละปฏิ แล้วก็ทวนทำปฏิปสทธิมันส ง, งบอย่างนี้ได้ปัะสมพยังได้รับส ง, บ, สงบได้ทำซ้ำทำไปอาเซวนาภาวนารองลีกัมมังจนสุดท้ายจบนิสรณประหารสมบูรณ์แบบมันสลัดได้เลยมันแตะปั๊บหลุดแตะหลุดแต่ ล, ต ล, ต ล, ตลเป็นอัตโนมัติมันไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วเราก็สัมผัสอยู่เนื้อมันได้เลยเป็นอํานาจเนื้อเลยนี่คือประหารป้อนถามมาแค่ตะถังกับประหารกับสมุจเจตประหารอัตมาแถมห้า ต่อมากายวิเวก ค, คือกิเลสในกามมาพบสงบลงจิตวิเวก ค, คือกิเลสในรูปะพบและรูปะพบระงับลงได้ถูกต้องนะจริงจริงและคําว่ากายนี่เป็นภาษาบอกแล้วว่าเป็นสามาัญานามมันรวมไปหมดเลยองค์ประชุมองค์รวมนะส่วนจิตโ อ, อขคอภัยอาตมาพูดผิดจิตวิเวกคําว่าจิตนี่มันเป็น คำมันเป็นสามัญนามเป็นคำนามเป็นองค์รวมคำว่าจิตนี่รวมหมดส่วนกายเนี่ยถ้าไปคำว่ากายเฉยเฉก็เป็นองค์รวมก็ได้แต่ถ้าใช้คำว่าสักายะเป็นของตัวเราเลยเป็นพระพุนาวเป็นวิสามัญนามเป็นสิ่งที่เราจาเพาะลงไปว่าในของเราตัวนี้ตัวนี้จับตัวได้มีญาณสัมผัสจริงเห็นจริงเลยมันกำลังเกิดอยู่ลับ เตัวนี้แหละมันพอมันกามมาพบมีตาหูจมูกดินกายสัมผัสอยู่และคุณก็ลดลงไปลดลงไปลดลงไปมันก็ลดลงลดลงจะบอกว่าจิตวิเวกมันมีวิเวกสามกายวิเวกจิตวิเวกอุปเิวิเวกก็ใช่พราะองค์ประชุมจากข้างนอกมาหมดกามาพบมาเรือข้าไในรูปปพบรูปปพบ ก็เรืจิตในจิตเรือจิตในจิ ต, จ ต, จตคุณก็ทาให้มันวิเวกหมดกิเลสเกลี่ยก็คืออุปธิก็อุปธิวิเวกพอหมดเลยเพราะยังคาว่าวิเวกกงหมายความว่ากิเลสมันหยุดไม่ได้หมายความว่ากายวิเวกคือร่างบอกว่ากายวิเวก็ร่างแข็งทึบมันก็ดูคไม่ใช้พาซอจิตวิเวกก็เลยจิตนิ่ง มันกระดุกกิเกิดไม่ใช่อุปัติกรวดกิเลสเดมันวิเวกตัวสําคัญเนี่ยมันดับมันจางคลายมันเบาลงเบาลงจนกระทั่งมันดับมันตายมันหมดมันวิเวกมันอุปติเวกคือตัวจบตัวสุดท้ายเลยอุปติคือตัวกิเลสมันดับไปหมดจึงทําให้กายวิเวกจิตวิเวกนี่คือวิเวกสพระพุทธเจ้าตอนตลางกับพระอุบาลี ว่าจะไปปฏิบัติขอไปป่าบอกเฮ้ยวาลีพระพุทธเจา้าขอไปพระพุทธเจ้าทำไมบอกเฮ้ยมันโพธิรักลบ อ, อ่าอาจารยตมาก็พูดไปตสำสมเนียงสมุ น, นตามโพธิรักโมหา ร, พ, รพุทธเจ้า ก, ก็ท้วงว่าอุบาลีการออกไปป่าหรือป่าสงัดนั้นมันวิเวกได้ยากหาความวิเวกได้ยากทําความวิเวกได้ยา ก, ามม ก, อ, ยากอ้าว ก็เข้าใจกันตรงกันข้ามกันซี่กับคนเข้าใจว่าในจะไปหาความวิเวกต้องออกปา่าแต่พระพุทธเจ้าทัดกลับตรัสว่าอุบาลีนะป่านั้นนะหาความวิเวกได้ยากนะยากที่จะอภิรมในการอยู่ผู้เดียวนะป่าทั้งหลายจะเอาใจของเธอไปเส้นแน่ไม่ฟูก็จม อพอจำความได้แต่วิดบายเวิดก็ไม่ได้ <c oughs> เรียงลำดับไม่ถูกต้องทีเดียวก็ไม่เป็นไรเ อ, ไนอเอาละมันขยาวไปมันจ่ขยายความน้มันจะยาวน ะ, ะตกลงสรุปแล้วก็ใช่จะไ่ลมากายมาก็เราเข้ามาบัตริกรรมมาพบคุณมีขยายความพลและความก็ไม่มีปัญหาทำการมมาพบ จบมาและก็เข้ามาหาจิตในจิตในภายในแล้รูปรพบรูปรพบให้ระ ง, งับลงไปตามลาดับ3ากายกับกายวิญญาณมีความหมายอย่างเดียวกันคือองค์ประชุมของาธาตุรู้อันได้แก่เว ท, ทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้ถูกต้องคำว่ากายวิญญาณหมายคำว่าวิญญาณที่เป็นองค์ประชุมทั้งหมดแต่ก็เป็นคำบรรณา กายก็กำหนดภาษาตัวเดียวว่ากายองค์ประชุมเพราะฉะนั้นจะไ ป, ไปองประชุมคําว่ากายไปอยู่กับ น, นามกายไปอยู่กับรู ป, ปรกายไปอยู่อะไรอีกก็ได้เยอะแย ะ, ยะเพราะงั้นส่วนมาส่วนที่ลืมมาสมาธิกา ย, ยวิญญาณคาวิญญาณก็ใช่วิญญาณนี่มันเกิดการประชุมกันขึ้นองค์ประชุมกันขึ้นมีทั้งเนียคุณว่ามานี่ถูกต้องทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มัน ป, ประชุมกันขึ้นมาเรียกว่ากายวิญญาณแล้วต่อมาก็ถามว่ากายอ้ยไม่ใช่การการทำธรรมวิจัยการทำธรรมวิจัยวิตกวิจารยนิโสมัทิการก็คือการค้นหาตัวกิเลสให้เจอทีรณะปริญญาแล้วทำการประหารปริญญา ที่จริงมันควรจะญาติปริญญาแล้วก็ตีระนปริญญาก็ถูกแล้วก็ประหารปริญญาญนะาติปริญญาคือการรู้รวมๆทั้งหมดการรู้ชัดว่านี้เกิดการรู้แล้วยาตปริญญาเกิดญาณเกิดญาติรู้ข้างในรู้องค์รวมชัดเจนทั้งรูปและนามตีระปริญญาก็คือการวิจัยแยกแยะตีระปริญญานะ เพราะจะบอกว่าวิตกวิจารเนี่คือวิจัยกันอาตมาอะไรคือแยกว่ามันมีวิตกวิจัยวิจารณ์มันมีวิตกวิจัยวิจารหรือธรรมาวิจัยเนี่อย่างที่คุณบอกมาก็ถูกมีทรมาวิจัยแต่โยนิโสมนสิกานั้นเป็นคำรวมคุณกําลังทําใจในใจโดยการอ่านและคุณกําลังประหารด้วยไม่ใช่มีแต่แค่วิตกวิจารณ์ไม่ได้มีแต่แค่อ่านพิจารณามีการประหารด้วยโยนิโสมนสิกานะ การทําใจในใจเนี่ยมีทั้งรู้และทําลายมีการกําจัดด้วยประหารด้วยโยนิโสมนัสิการไม่ใช่การค้นหาเท่านั้นนะมีการมีการประหารนี่คุณก็ขยายความต้นท้ายเนี่ยแบบประหารเพราะงั้นโยนิโสมนัสิการจึงมีการประหารด้วยหรือวิตกวิจารณ์นั้นเกิดพลังใหญ่สังกปะเจเนี่ยเป็นคําอธิบายวิตก ตักกะวิตกเลือกตักกะวิต ก, กะสังกปะสังกปะเป็นคำรวมความนึกคิดทั้งหมดตักกะเป็นตัวดำริเริ่มมาพอเริ่มมาแล้วมันมีกามมาผสมมาในตักกะก็จับกามไม่ได้แล้วก็พอกามนี่เป็นมิจฉาสังกปะพยาบาทนะกามพยาบาทอิจิคิจอาวิจัยบีหิงสานี่เป็นมิจฉาสามของของสังกปะ ก็จับกาม ไ, ได้จับพยาบาทได้คุณก็จัดการกําจัดกําจัดได้ก็เรียกว่าวิตกวิต ก, กะวิแปลว่าไม่วิแปลว่ามิเศษก็ทำไอจิต ด, ดำรินี่แหะจงก็ตั้งถึงเหตุมันจับเพตุมาได้ทําให้มันสําเร็จลงไปสําเร็จลงไปวินี่คือการจัดการเลยอพอจัดการได้หมดรวมแล้วสําเร็จก็เป็นสังกัปป์เป็นองค์รวม องค์รวมก็มาผ่านอัปนาพยาปน า, ปปนาเจตสังสมปนิโรวปนามาผ่านด่านด่านตรวจสอบอีกส่งเสริมอีกมันมีต้นทุนอยู่ที่ในด่านด้วยก็คือการตั้งมั่นของจิตที่เป็นต้นทุนก็ช่วยผ่านหนึตรวจสอบสองส่งเสริมช่วยตรวจสอบอีกทีหนึ่งได้ส่งเสริมด้วยอั ป, ปนาเนี่ยผ่านตัวนี้มาหรือจะอนุโลมปฏิโลมก็อยู่ที่อนุปอยู่ที่ตัวนี้ คุณจะอนุโลมได้เท่าไหร่คุณมีสังขารุเปะขาญาณเท่าไหร่คุณจะอนุโลมเท่าไหร่ก็คือการตั้งมัน่นมีต้นทุนตั้งมันน่นทะันนีนาตะคืนอนุโลมไม่มากกว่านี้ตายที่อาจามาเคยบอกว่าจะช่วยคนตกบอ่อคุณมีหลักยึดเท่าไหร่อปปนามีความแข็งแรงเท่าไหร่ถึงคุณจะเอื้มอมลงไปช่วยเขาได้ถ้าเอื้อมลงไปช่วยเขาเลยที่คุณไม่มีหลักยึดก็ตกบ่อไปกับเขาอ่ะ ตายทั้งคู่อย่างนี้เป็นต้นมันก็ควรจะต้องประมาณอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็ผ่านอ ป, ปนาพยาปนาเจรสุมทรเป็นนิโรบาจึงจะไปถึงขั้นวัจจีสังขารตัวที่เจของสังกปะเจนะนี่เป็นต้นอัตมาอธิบายได้เป็นตุกเป็นตะเลยเนี่ยแม่น่าจะชมอัตมาว่าเก่งนะแต่อัตมาก็ไม่ได้อยากได้คําชมเราพูดเล่นพูดให้ไม่สนุกนะ อตาตมาก็อธิบายตามสภาว่าจริงที่เข้าใจจริงๆเห็นจริงแล้วได้ทำมามันก็เห็นอย่างนั้นเพราะเราจะรู้กายสังขารจิตสังขารวจีสังขารก็ชัดเจนพระอาหารก็จะต้องรู้สิ่งเหล่านี้เมื่ออย่างกวิสสาอุบาศกคุยกับท่านธรรมธรรมิฏิ น, นาภิกษุณีแม่ถ้าถามว่านิโรธอะไรดับก่อนอกายสังขารจิตสังขารวจีสังขาร เมื่อดับแล้วอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังอีกอะไรสังขาคัญไนเกิดก่อนนี้เป็นต้นก็จะกระจัดเจนว่ากายยังไงว่าจียังไงหรือว่าจิตยังไง อ, อต่อมาโอในถามมานี้มันลึกๆทั้งนั้นเลยนะอ้าวก็ดีอย่างนี้กระตมาว่าตั้งใจผู้ที่ฟังดีดีผู้ที่สนใจมันก็เป็นธรรมะเป็นปรมตาทิตดีที่ลึกซึ้งญาตะปริญญาทีนี้ในถามเมื่อกี้ถาม ผ่านเ ร, ร, ระนาปญญาปหานาปัญญาไปแล้วยาตปริญญาคือญาณที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงการรู้ความจริงตามความเป็นจริงนั้นคือมียาณรู้ร่วมอยู่ในประสาทสัมผัส ท, ทางร่างกายตั้งแต่องค์ประกอบข้างนอกและญาณ น, นี้ก็จะตามรู้ไปถึงกระบวนการต่างๆภายในจิตทั้งหมดไปตามลําดับกระตั้งรู้ว่าการทําใจในใจได้ผลหรือไม่ได้หรือไม่เพราะอะไรถูกต้อง ขยายความมาครบดีมากนะตอบไม่ต้องตอบอ่านของคุณจบเลยตอบในตัวอธิบายเช็คเช็คผลมาว่ารู้อย่างนี้ถูกไหมอัตมาก็นะสแต็มให้เลยอ่าได้ผ่า น, นาจากกรทมครับผมขอถามเรื่องทางโลกครับอัตมาไม่ค่อยเก่งนะทางโลกเนี่ยนะ ทำไมเศรษฐกิจจึงเดี๋ยวตกเดี๋ยวดีครับเหตุที่เศรษฐกิจดีเพราะอะไรครับเหตุที่เศรษฐกิจตกเพราะอะไรครับโอ้แม่ถ้าตอบก็จะยาวในสนุกถามมาอย่างงี้อธตมาตอบได้สนุกด้วยแต่มันก็จะพูดละเอียดไม่ได้เพราะคอสชท่านไม่ให้พูดการเมืองถ้าพูดแล้วมันจะไปพลาดพิงการเมืองอาตมาก็ต้องคอตอบผ่าน นี่พูดนี่ไม่ให้มันละเมิดที่คอสชกาหนดไวนะ้นะผิดพลาดยังไงก็ขออภัยหุน่นตะกูลพะที่นี่มีคนชื่ออภัยหุนห่นตะ ก, กูลขออภัยเศรษฐกิจทำไมถึงเดียวตกเดียวดีก็คือความไม่เที่ยงไงทุกอย่างไม่เที่ยงในโลกนี้ทำไมมันตกอะทำไมมันดีอะ มันตกก็เพราะมันไม่ไม่ดีอ่ามันไม่ขึ้นมันดีก็เพราะมันไม่ตกแต่ทีนี้ไอ้ที่ว่า ด, ดีของคุณเนี่ยมารู้สึกมันกระเตื้องขึ้นมาจริงๆมันไม่ดีสักทีหรอกเศรษฐกิจในเมืองไทยยังไม่เห็นดีเลยตั้งแต่80กว่าปีมาเนี่ยมยีประชาธิปไตยมา8ปกว่าปีเศรษฐกิจมีแต่เสือเส่อมลงเสื่อมลงแย่ล ง, ลงทุกทีนี่อาตมาไม่ได้พูดการเมืองนะอาตมาพูดถึงเรื่องศัจดิ ขสังคมไทยเพราะตอนนี้เนี่ยก็รู้กันทั้งคอสชก็รู้เข้าใจเนี่ยก็พยายามจะทําเลยเหตุอะไรที่ทํามาเนี่ยวป็เหตุที่เศรษฐกิจดีเพราะอะไรเศรษฐกิจดีไม่ทําเศรษฐกิจตกเหตุที่เศรษฐกิจตกเพราะอะไรถามมาเหนดีก็ตกตอบซับทงซับนหนักกว่าฟันเพราะฟันนี่จัดทีเดียวก็เรียกว่าฟันแต่ซับนี่ซอยเลยแหลกเลย สับทงเลยคือกิเลสไม่ทำที่ต้นเหตุเพราะยันผู้ที่ไปจัดการบริหารบ้านเมืองทำงานการเมืองแม้แต่นักธุรกิจก็เต็มไปด้กกิเลสแล้วมันจะเศรษฐกิจธธได้ยังไงความเพ็นแกตัวความเห็นแก่ได้มันเต็มกระ บ, บุงเลยแล้วกิเลสก็บังคับตัวเองทั้งนั้นสรุปศาสนาไม่มีผลต่อการลดกิเลส เพราะฉะนั้นถ้าการศึกษาโดยเฉพาะศาสนาการศึกษาไม่ลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะเป็นเช่นนั้นวันเศรษฐกิจตกตกแต่เศรษฐกิจทุกวันนี้ที่บอกว่ามันดีไม่ดีหรอกมันกระเตื้องขึ้นมาหน่อยหนึ่งกว่าที่มันเคยตกถแถลงก็วูบไปอีกเก่าหนักกว่าเก่าอีกวูบขึ้นมาหน่อยลงไปหนกกกักกว่าเก่าวูบก็นมหน่อยหนักกว่าเก่า ทุกวันนี้มันจึงหนักมากเลยโกงกันทีละแสนล้านที่้ายไว้ปวงกันไปหมดเลยเนี่เป็นหนี้กันถูดับตับไหมเลยเนี่ยไม่ว่าลูกล้านเล่เนี่ยจะใช้หนี้กันหมเมื่อไหร่ขอไปนั่นไม่ได้พูดการเมืองเราพูดสัจจะจให้พูดการเมืองก็ได้บ้าง แต่คงไม่เป็นแสลงหูทันหรอกเพราะว่าอัตมาสนับสนุนเขาชอยอยู่ตอนนี้ทำเลยท่านรู้อยู่ว่าจะปราบคอร์รัปชันตะกผูแล้วเอาเลยอัตมาสนับสนุนห0 0รเซทำเลยเอาให้จริงอะปราบคอร์รัปชันตัวสำคัญสำคัญเนี่ยเีนี้เห็นเงื้อง่าราคาแพงอยู่ ต, ตลอดเวลาเอาจริงเลยหลักฐานมีน กฎหมายมีชัดเจนอยู่แล้วภาคปฏิบัติปฏิบัติจริงอย่างนั้นด้วยเอาเลยอย่ารอราทําใหเ้เป็นประโยชน์เพราะงวดนี้อย่าเสียของก็พูดกันอยู่แล้วอาตมาก็เข้าใจได้เห็นใจทำเลย อ, อย่าเสียของเขาเนี่เอาให้จริงเลยนะเอาละเอาแค่นี้ก็แล้วกันประเดี๋ยวมันจะเฉียดต่อมาถามว่าผมเคยนั่งสมาธิแบบหลับตาแล้วก็งายหลังมือไม้ มือไม้ไปหมดวาดท่าทาง อ, อ๋องายหลังมือไม้ไปหมดวาดท่าทางก็ค ง, คงออกท่านี้นั่งสมาธิในห้วงความคิดมันคิดว่าให้เอาพระพุทธรูปไปไว้ที่วัดให้เอานางกวักออกไปเป็นยานใหญ่อะไรประมาณนี้นั่งอยู่สี่ห้าวันก็ยังคงมีอาการงายหลังแลนะอื่นๆแบบเดิมผมเป็นอะไรครับ ฟังดีๆนะอาตมาก็ทํามาเรื่องสมาธิหลับตาอะไรก็ทํามาไม่ใช่ไม่เป็นยังไงลงง่ายหลังอย่าบ้าใจง่ายหลังเลยอาตมาเล่นในศิลปศาสตร์มานั่งสมาธินี่แหละเข้าโซลหรือทําอะไรนี่จะ อ, อย่าบ้าใจง่ายหลังเอาหัวโขกพื้นก่อนที่จะมือก็มาเชิญองค์นั้นองค์นี้มาลงอะไรงี่เล่นมันนักหนาแล้วทําได้สารพัดเลยอย่าบ้าใจงงเงยงน ง, ง, งแค่คุณนี่ เ, ออเล็กๆน้อยๆ สรุปคืออุปท า, านไปได้ฟังมาได้ยินมาเป็นอุปท า, านยึดว่ามันจะต้องเป็นชนิดชนี้คุณไม่รู้หรอกจิตที่อนุสัยของคุณคนดีแม้แต่จิตใต้สำนึกก็าตามมาถึงขั้นจิตไรสำนึกจิตไรสานึกใน่อนุสัยจิตขั้นกลางเนี่ยเรียกว่าจิตใต้สำนึกนี่นะมันคือพอจะรู้อย่างรู้ได้บ้างแต่จิตใต้สานึกเนี่ยไม่รู้ได้ไง่ายๆ อ, อกจิ ต, ไ ร, จ ต, จ ต, ต, จตไรสำนึกมันเป็นสามคันจิตสํานึกจิตตายสานึกจิตไรสํานึกภาคปฏิบัติของพระเจ้านี่จะปฏิบัติจิตสํานึกก่อนกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ฆ่าจิตตัวนี้ก่อนพอจิตตัวนี้เสร็จกระทบเสร็จจิตจะเลื่อนขึ้นมาจากจ้าใต้สํานึกมาเป็นสํานึกแทนตัวไรสํานึกก็จะขึ้นมาเป็นต้สํานึกขึ้นมามันจะเลื่อนยังงจริงแล้วก็ประทบสัมผัสพวกนี้ พอจิตในระดับกลางนี่ดับไปอีกหมดไปอีกจิตอนุใสตัวไรสัมเนธก็ขึ้นมาสู่เป็นจิตสัมเนธแล้วก็กําจัดกระทบสัมผัสเห็นของจริงมันเกิดเลยเดี๋ยวนี้มันก็เกิด น, นี่เป็นวิธีของศาสนาพุทธคุณไม่รู้อนุสัยคุณไม่รู้จิตใต้ไรสัมเนธแม้แต่ใต้สัมเนธก็ไม่ได้แล้วอนุสัยนี่แหละมันออกมาทํางานเป็นโพเทนชิลเอนเนอรี่เป็นจิตที่มันยีืดทํางานอยู่ข้างใต้มันไม่รู้รัวหรอกไม่รู้เรื่อง แต่มันทํางานเพราะงั้คุณไปยืดมาตั้งเตมอรัยไม่รู้ไปเอาแบบนั้นได้ยินมาว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วแบบนี้นี้อตาตมาก็เล่นมาเล้วเทอดอาตมาก็ตามมานั่นแหละดีไม่ดีคิดเองแล้วก็สังฝันฟงมไม่ได้ใจว่ามันจะเป็นอย่างงี้งี้งแล้วมันก็ออกบทบาทมาทําสารพัดนี่เลยเล่นมาโอ้มากมายท่าทางละทั้งท่า ท, า, ท, า, ท, า, ทางทั้งภาษาพูดภาษาเจ้าภาษาเอภาษาไปภาษาเจ้าภาษาอ่า อะไรภาษาวิญญาณภาษาอะไรอเขาเรียกภาษาโคโบอภาษาอะไรก็ไม่รู้โคโบคูโบอดอะไรและแต่เลิกถ้าพูดกันไปแต่ก่อนนี้อาตมาก็เล่นมานักนะก็เล่าสู่ฟังสรุปแรกก็คืออุปทานที่ฟังไว้ในจิตโดยไปยึดสมบุติอย่างนั้นว่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นตามที่คุณยึดเช่นคนเข้าทร่งคนข้าวส่งเราบอกจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงี้เป็นงนี้ยึดจิตมันก็มีพลังแล้วก็เป็นอย่างนั้น พอตัวเองดับจิตสํานึกสามัญของคุณจิตใต้สํานึกจิตไร้สํานึกคุณก็ออกมาทํางานแทนคุณก็ไม่รู้ตัวเมื่อคนจิตมันหมดไรสำนึกว่าเมื่อจิตสํานึกมันหมดไปข้างบนมันก็จิตพวกนั้นออกมาทํางานทํางานมันก็ไปตามที่คุณมีจากจิตไร้สํานึกจิตใต้สํานึกรูอุปอนิสัยของคุณเนี่ยออกมาทํางานมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างไรก็แล้วแต่คุณไปยึดมาตั้งแต่เมื่อไหอไร่ มาเป็นอุปทานไว้ในจิตใต้สํานึกของคุณมันก็ออกมาเล่นบทบาทนั้นๆนั้น น, น, นี้ซึ่งส่วนมากก็เป็นการยึดอุปทานที่ไม่มีจริงเข้าทรงนี่ ม, มีจิตใครมันเข้าทรงใครหรอกอุปทานออกมาเล่นลิเกทั้งนั้นอัตอมาแต่ก่อนก็เข้าใจผิดก็เล่นมันนักแต่พอมาฟืน้นวิชาตัวเองทีงอัตมาม า, มาก็เข้าใจว่าโถเอยลิงลงมองก็พองไปเล่นก็เข้าไป นะสองตอนกลางวันพอกินข้าวเสร็จก็ไปนอนแล้วผมก็รู้สึกไม่สงบผมรู้สึกไม่สงบไม่ได้หลับนะครับมันรู้สึกว่าเงียบหายใจเงียบแผ่วเบาอาการนี้ยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันผมเป็นอะไรแน่ครับคุณก้เงเงียบๆไปยึดถือทําเล่นลมเล่นลมหายใจเิ่มให้เงียบให้เบ า, ใ ห, บาให้อะไรเล่นพวกนี้สอนเรื่องลม อย่างท่านสอนลมในอานาปานสติก็เอาลมไปเล่นอะไรอะไรไปยืดไปจนโนี้มันมากเรื่องเหลือเกินนี่ไอเรื่องสิ่งเหล่านี้นะอาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะก็ไปบอกไว้เอาไว้อย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะงนี้นะเออเราก็ยืดอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงยกตัวอย่างเช่นเห็นผีตามันเห็นผีเป็นตัวเป็นตนเลยนะโอ้โหตาโบอผมยาวเอ มีอะไรหลอกท า, อทานนู่นทานนี้อย่างโน้นอย่างนี้แห<บ><บ>ลับลินลินยาวลินอะไรไปอีกก็แล้วแต่คุณคุณยึดไว้ในจิตว่ามันเป็นจริงคุณก็มาสร้างขึ้นมือมาสร้างขึ้นอุปทานสร้างขึ้นเป็นมโนมยอัตตาคุณก็เห็นผีแต่อย่างที่คุณไปยึดว่ามันมี มันเห็นไม่ได้หรอกผีไม่มีหรอกไออัตมาถึงบอกว่าถ้าใครเห็นผีอย่างนี้นะอย่าไปกลัวท่องคาถาตมาคุณกลัวคุณก็เอาเลยสู้เข้าไปหามันเลยเข้าไปพิสูจน์จริงๆว่ามันไม่จริงท่องคาถาตมาว่าแค่ตายแค่ตายแค่ตายแล้วเดินกันไปเลยเดินไปสู่ตรงที่ว่ามันผีมันอยู่ น, นั่นและและคุณจะเห็นว่ามันไม่มี มันมีอะไรหล่อมันอาจจะมีเหตุปัจจัยตะคุมตะคุมมีอันนั้นเงาอันนู้นนนี้อะไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนั้นอยู่นั้นอาจจะเป็นทั้งรูปทั้งเสียงอะไรก็แล้วแต่เข้าไปตรงนั้นแล้วก็จะรู้ความจริงนะอ๋ออันนี้เองหรือไม่มีอะไรเลยปั้นสร้างขึ้นมาเองไอการเห็นแบบนี้นี่มีอีกอันหนึ่งสายนั่งหลับตาสมาธิเก่งนั่งแล้วก็จะสามารถเห็นอะไรๆภายนอกได้เก่งเช่น ปรงอสุภาษก็จะเห็นโอ้โห و, ร่างกายนี้เสร็จแล้วก็ต้องตายต้องเปื่อยต้องเนา่าต้องอะไรอะไรไป covering, กดนึกว่าโอ้โหร่างกายเรานี่มันไม่เทียงเราด้วยมันก็จะต้องตายแล้วก็สร้างอุปทานของคนคนนี้นั่งสมาธินี่เห็นตัวเราเองนอนอยู่ข้างหน้านี่เลยตายแล้วเน่าสลายไปตอนน่อหนต่อตาไม่ใช่ต่ตาเราต่อได้สมาธิเห็นว่าตัวเองนอนอยู่ข้างหน้านี่ ลละลายไปต่อหน้าต่ตาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ต่อหน้าไม่ได้ลืมตานะอยู่ในฌานอยู่ในฌานอยู่ในสมาธิเห็นละลายโอ้โ ห, โโหเห็นแล้วเห็นของจริงอุปทานปั้นเป็นมโนมนยอัตตาอย่างนี้ปั้นอยู่ในขณะหลับตาลืมตาให้เพ่งคนนี่นะมันไม่มีอะไรหรอกมีแต่โครงกระดูกมันพาอยู่ได้ถ้าไม่มีโครงกระดูกมันเดินไม่ได้หรอก เพ่งดูทันีเนื้อหนังมังสาก็เปือยก็น่าป้ามีตะโกนกระดูแล้วมันเดินก็เพลงพิจารณาเห็นโกงกระดูจนกระทั่งลืมตาเนี่ยแหะเพ่งยุนเห็นเห็นคนเนี่ยเดินไปนี่มีตะโรงกระดูเดินไปเขาเห็นจริงๆเห็นอย่างนั้นจริงๆนี่คืออุปทานเป็นมโนมอัตตาปั้นหรือเห็นผีเนี่ยเห็นนางตันนีแล้วมีนางตันนีเป็นสะพงยา จับต้องแต่เนื่องต้องตัวเหมือนกันอาตมารักษามางคนมีพระพรหมเป็นผัดเต็มสามีตั้งแต่อาตมาเรีนยนเศรศาสตร์แม่พามาอายุ17เจ็ดองไม่เป็นนักเรียนตอนนั้นเขาเรียนอยู่มเจ็มแปอาตมาก็รักษาจนหายก็ต้องเอาพระพรหมที่ใหญ่กว่าพระพรหมเนี้ยพระพรหมมีผมมีเมียมันจะใหญ่อะไรครูเลย พระพนี่พระพมใหญ่เอาประพรมสัตวระพรมก็หายเด็กก็เชื่อเขาเชื่อก็หายแล้วเพราะมันไม่จริงเขาเชื่อเราว่าเราจริงกว่ามันไม่จริงไม่ไดบอกพระพรมขับไปแล้วพระพรมนี่เนื้อกว่าทำลายไปแล้วไล่นี้ไปแล้วตายไปแล้วเด็กก็เชื่อก็หายขอประพรมใหญ่กว่าก็มาจัดการกับพระพรมเล็กแค่นี้พระพรมยังมี กามมีเกินอะไรอยู่ไม่ได้เพราะพอมไม่มีกามหรอกนะเพราะพอมีจิตพอมมันสูงกฐิวดาไม่มีกามนะอย่างนี้เป็นต้นก็เล่นมาทาอะไรแต่อมาหายนะอัตมารักษาหายมาบวชแล้วยังมาหาเลยจำหนูได้ไหมอายุ40กว่าแล้วมาหาไอ้จิตทำให้น่ะอายุ17บเจ็ได้สีจําหนูได้ไหม จำได้แล้ว ก, ก็ลือฟื้นมารักษาหนูไงตอนนั้นตอนนั้นอ๋อใครจะไปจำหน้าเธอได้ได้อยู่17น้นมา40กว่าน่อ้าวตอบยาไปแล้วต่อมาจากประจบฟังพระครูมาสามปีแล้วเอาต่อฟังต่อฟังที่ท่านเทศที่ยังยากไม่รู้เรื่องจะหาหนังสืออะไรอ่านครับมาคุยกับธรรมทัตครับ อธาธรรมัตเขมีหนังสืออะไรอาธราจำไม่ได้สักหนังสือเพรา ะ, ะหนังสืออาตมาเขียนมาพิมพ์ออกมาเป็นล้านล้านพิมพ์ออกมาเป็นล้านลาน้ล า, นลานเล่มแล้ ว, แ ล, กก ว, วแล้วก็มากกว่าร้อยกว่าเรื่องแล้วอาตมาไม่ได้จำเลยมากกว่าร้อยกว่าเรื่องจํานวนหนังสือก็มากกว่าล้านนะก็มาติดต่อธรรมทัตเขามันมีบางตน้นทํามปรามันตายเขารู้ดีกว่าอาธรรมอาธรรม า, มาจําไม่ได้หรืออะไรบางต้นอ่า อ, อคิมันก็ยากอยู่นะก็เอาเถอะมาเราคุยกับทางธรรมทัตเขา เอาต่อมาจากป้าหอมอุตตรดิตอยากถามเอออย่างงี้นี่เนเตรียมอ่านอันนี้ก็จะเข้าใจได้เหมือนกันเลยค้าบุญคือบาตรือโอกาสเลยเนี่ยจะวางตลาดกันต้นดือนหน้านี่แหละต้นเดนพฤจิการเนี่ยนี่มันอาตมาปลูกมานี่ตีตาอ่านอย่าง้าย่อมาครึ่งหนึ่งตัวมันเล็กอ่านทวนสุดท้ายอยู่นี่โอโหอ่านแล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะดีนะน่าจะเข้าใจกันได้เยอะเพราะว่าหลายอันที่อาตมาว่าขขึ้นมาง่ายขึ้นเอาค่อยๆอ่านนะ อยาถามพ่อครูว่าเราอยากจะถามคําถามพรอครูแบบนี้ถือว่าเป็นกิเลสหรือเปล่าคะโอ้ถามซ้อนถามอยากถามพรอครูว่าถ้าเราอยากถามคําถามพ่อครูแบบนี้ถือว่ากิเลสหรือเปล่ามาหน่าฟังเข้าใจโจทย์ไหมเอออยากถามพรอครูว่าถ้าเราอยากถามคําถามพรอครูเนี่ยแบบนี้ถือว่าเป็นกิเลสหรือหรือเปล่าคะและเมื่อไหร่คุณจะได้ถาม ถ้าคุณอยากจะถามอย่างนี้แล้วมันเป็นกิเลสคุณก็ต้องไม่ได้ถามแบบเดียวกันกับที่เข้าใจว่าถ้ามีตัณหานี่ไม่ได้เลยถ้าคืนมีตัณหานี่คุณก็จะไม่หมดตัณหาเพราะฉะนั้นคุณจะคืนมีตัณหาไม่ได้เลยคุณอยากอะไรก็ไม่ต้องเดอเฉยเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจวิภาวะตัณหาไม่ได้ซึ่งเป็นตัณหาไปล้างตัณหาอัตมาเคยดะว่าวิภาวะตัณหาเนี่พระพุทธเจ้าก็ยังมี เป็นตัณหาที่ไม่มีภพวิภพวะแต่ก็ไปแปลวิภพวะว่าไม่น่าได้ไม่นามีไม่น่าเป็นแค่นั้นแหละแล้วก็ติดอยู่พยัญชนะมันก็ไม่น่าได้แล้วก็ทําให้ไม่ได้ไม่ไม่ต้องได้เลจนกระทั่งไม่ต้องไปอยากได้อะไรในสิ่งที่เป็นกามเป็นรูปเป็นภพในรูปอรูปก็ล้างกามารูปกามาภพรูปประภพอรูปประภพก็ดับหมดทั้งสามภพก็ไม่มีภพแล้ว แต่คุณยังมีมโนสัจเจตนาที่เป็นจิตมีเจตนามุ่งหมายพระพุทธเจา้ามุ่งหมายบอกมานพระพุทธเจา้าตัดสั้เสร็จมานก็บอกว่าอ้าวท่านตัดสั้แล้วเปพระพุทธเจ้าแล้วตายซะพูดสมนวนปุนโ ป, ง, ป, ง, ปงอัตมาจะให้พ ร, ร, ระพุทธเจ้าท่านปรินิพานตายไปเลยตัดสั้แล้วนี่ตายพระพุทธเจา้าก็บอก เ, ออเรายังไม่ตายแม่คอไปเฮ่ออีกแล้ว พระพุทธเจ้าก็บอกมานเรายังไม่ตายเรายังไม่ได้ทำงานเราจะต้องสร้างศาสนาให้เกิดปร ะ, ประกาศศาสนาให้ได้จนแข็งแรงตั้งมัน่นจนกำลังให้มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่จะพรั่งพร้อมในความรูกกะกะ้แก่กาบัญญัติถอด อ, อธิบายแจกแจงป ร, ประวาตะอ่าต่อใครต่อ ใ, ใครได้เราจึงจะปรินิพพานเราจึงจะตายมาน นี่เป็นความมโนสัญเจตระหาเป็นความต้องการเป็นความประสงค์เป็นความมุ่งหมายที่จะสร้างศาสนาอยากไหมล่ะมากก็คุณบอกว่าจะตั้งคำถามประครูเนี่เป็นกะกิะเลหรือเปล่าน่มันก็เลยไปนมันมากไปน่ะเอาละมันถึงขนาดนั้นต่อมาจากเวลาคนหลับของห5 9 9, 9. ่่บอกว่าเวลาคนหลับสนิทไม่ฝัน จิตคนนั้นอยู่อย่างไรไปไหนนั่นแน่เวลาคนหลับสนิทไม่ฝันจิตคนนั้นอยู่อย่างไรไปไหนจิตก็อยู่ในร่างของคนนี่แหละตอนนั้นมันไม่ไปไหนคุณ ถ, ถามว่าจิตไปไหนจิตนั่นอยู่อย่างไรมันก็ไม่ทางานหนึ่งมันไม่ทางานมันไม่คิดมันไม่ดำริอะไร มันอยู่นิ่งๆเพราะฉะคนที่นอนไม่ฝันเนี่ยเป็นคนที่สะกดจิตได้หนึ่งถ้านอนไม่ฝันจริงๆเนี่ยเป็นคนจิตสงบดีถ้าคนจิตไม่สงบส่วนมากไม่สงบนอนก็ต้องฝันแต่ถ้าไม่ฝันในหนึ่งมันเหนื่อยเพลียจนกระทั่งจิตมันไม่ทํางานอะไรเลย มื่เหนื่อยมันเพิ่มดับมดไหมดไม่ได้นิ่งมหมดเลยในคุณก็ไม่ฝันได้หรือจิตไปฝึกฝึกเจโตสมถตาฝึกนั่งสมาธิสายเจโตสมาัาจะนอนไม่ฝันนอนจะ ด, ด, ดับได้ดับได้ดีส่วนสายปัญญาจริงๆเนี่ยปฏิบัติธรรมมของพระเจ้าจริงๆสายปัญญาโดยมักองแปดโดยอะไรจริงๆจะปรุงแล้วก็จะปรุงได้ดีด้วยซ้ำไปเพราะฉะน้นถ้าบอว่าอยู่ถึงขนาดที่เรียกว่า ถึงอนาคามีขึ้นไปเป็นต้นจะจะไม่มีเรื่องโลกีมันจะมีแต่เรื่องโลกุตระมันจะมีแต่เรื่องธรรมะไม่มีเรื่องโอ้เป็นธรรมะปายปรุงกี้ เ, เกิดเรื่องเกิดตาว น, นั้นคือนั่นเหตุผลแม้แต่พยัญชนะแม้แต่บัญญัติอะไรเรื่องราวของพุทธิได้ยคำร้อยเรียงก็สภาวะ ต, าต่างๆจะออกมานะถึงใชภาษาคุยกับเทวดาภาษาที่เป็น ภาษาพวกลาทิฐานว่าคุยกับเทวดาพระุูปเจ้ากำมือนกันก็นกนคุยกับเทวดาก็อย่างนี้การเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นตามฐานะพุะรเจา้าฐานะของแต่ละฐานะก็จะลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นเพราะตอนนั้นจิตสงบจิตไม่มีอะไรกวนเนั่นจิตก็จะพิจารณาธรรมะเองเป็นอัตโนมัตินะเพราะจิตผู้ที่มีนิมิตอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์ แต่ส่วนจะไม่ฝันจะสงบนั้นเลยถ้าทนานาญเจโตสมถะสงบหรือผู้ที่เมื่อยมากๆมันก็ไม่คิดบอกาถามว่าจิตจะคนนั้นจะอยู่อย่างไรจิตคนนั้นก็ไม่ทํางานตัว น, นั้นเองถ้าคนไม่ได้ไปเก่งทางเจตใหัดสมถะมากๆจิตคนเมื่อยมากๆคุณก็สงบคนก็อยู่เฉยๆไม่มันมันก็ไม่ทํางานนะอันนี้เป็นต้นมันก็เท่านั้นเองอ้าวต่อมา อยากถามพระครูว่าเวลาคนหลับสนิทไม่ฝันเอา้าทไมคลายกันนีเวลาคนหลับสนิทไม่ฝันจิตคนคนนั้นเป็นอยู่อย่างไรไปไหนคะเอา้าทำไมมันสอ ง, สองใบอ่ะอันนี้ลายคนละลายมือโทรมาสองเจ้าเลยเอ <S <S <S <S แล้วก็เขียนมาอันเดียวเอา้าตอบไปแล้วนะเอเวลายังเหลืออีกนิดหน่อย20สิตอนนี้เรา อ, อีก8ดนาทีนะ ไม่มีคําถามหมดแล้วคาถามมานะมันอาจจะยากนะเพราะว่าตอบตอนนี้เป็นลึืประมัดซะเยอะนะอัตมาตอนนี้ก็ขอเถอะจำเป็นที่อัตมาจะต้องพยายามพูดถึงเรื่องประมัดที่ลึกซึ่งไปเรื่อยๆผู้ที่มีพื้นฐานหรือผู้ที่ใส่ใจสนใจจริงๆก็ตั้งใจฟังดีๆเถอะจะได้รับความเข้าใจได้รับความรู้อะไรต่อเพิ่มเติมขึ้นซรื่องตอมามั่นใจว่าอัตมาพูดสิ่งที่มันไม่ผิด พอพูดผิดมันบาป พ, พูดผิดมันทำลายาศาสนาทำลายธรรมะเพราะอาตมาต้องพยายามที่สุดจะต้องไม่ให้ผิดส่วนถ้ามันจะผิดจริงๆนะมันก็สุดวิสัยของอาตมาเพราะอาตมาตั้งใจและเจตนาไม่ให้ผิดอยู่แล้วมันมีภูมิเท่านั้นพระนาผู้ใดที่รู้ว่าอาตมาผิดก็กรุณาแจ้งอาตมาทราบด้วยผิดอย่านผิดอย่างนี้อาตมาก็จะได้รู้อ๋อ อามาตรวจสอบผิดหรือว่าท่านจะทวงมาณนะท่านเองนะแต่ท่านผิดอาตมาก็จะได้ตอบว่าท่านมั่งผิดไม่ใช่ผมผิดล้ออะไรนี้ก็จะบอกไปนะธรรมอาวุธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สุดยอดประเสริฐอาตมาเนี่ยพึ่งธรรมนิธรรมเป็นที่พึ่งแล้วก็เห็นอะไรไม่สําคัญเท่าการเอาธรรมะในชีวิตมาจะเกิดกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติ ไม่มีอะไรที่จะสําคัญท่าธรรมะคําว่าธรรมะมันกว้างมันหมายถึงสิ่งที่ทรงขึ้นทรงอยู่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์แล้วปรินิพานไปก็ไม่เหลืออะไรแล้วธรรมะก็ไม่เหลืออะไรก็ไม่เหลือธรรมะคือสิ่งที่หมายถึงสิ่งดีสิ่งไม่ดีนิดหนึ่งก็อาจทำเพราะฉะนั้นผู้ยังไม่เป็นอาหารหันต์ขึ้นไปทรงไว้ต้องนับตั้งแต่ปัจจุบันนีไ้ไปถึงอนาคตทรงไว้ ส่วนวิบากนั้นไปแก้ไม่ได้พระอรหันต์มีวิบากพระพุทธเจ้าก็มีวิบากวิบากคือความผิดวิบากคือสิ่งที่ไม่ข้อใดวิบากที่เป็นอกุศลวิบากเป็นบาปเก่าอกุศลวิบากที่เกิดไปแล้วพระพุทธเจ้าก็เหลือยังมีแต่ท่านมีกุศลมากกว่าอกุศลหรือบาปเก่า พันุ์รแรงบาปเก่านั้นท่านบอกว่ามันเหมือนหมาไล่เนื้อมันจะไล่กวดมาเล่นงานคุณมาทวงวิบากรรมตลอดเวละดีเองว่าไม่ค่อยไล่แต่ก็มาส่งผลเหมือนกันแต่ดีจะไม่เหมือนหมาไล่เนื้อไม่เหมือนชั่วบาปชั่วมันไล่เหมือนหมาไล่เนื้ทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติตารรมพระเจ้าแล้วเนี่ย ปัจจุบันกิเลสหมดไม่สร้างกิเลสชั่วอีกบาปทุกอย่างไม่ทํากิเลสทุกอย่างไม่ทาอีกหยุดเมื่อหยุดกิเลสแล้วมีแต่กุศลท่านสร้างกุศลเป็นกาแงพงเพราะนั้นเมื่อหยุดอกุศลมีแต่กุศลที่สร้างเนี่ยมันจะเป็นกาแพงการการกันกาเมื่อท่านไม่หยุดสร้างกุศลเลย มันก็มีแต่กุศลนีกนกานไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆย้อไปไปบาปไปอกุศลไล่ไม่ทันยิ่งท่านสร้างกุศลไปเรื่อยๆมันยิ่งไอคือมันไม่เป็นตัวเป็นตนนะไอกิเลสหรือพลังงานบาปบุญเนี่ยพลังงานอกุศลที่บาปเนี่ยมันก็จะถูกสกัดถูกสกัดสกัดก็เรือยแต่พไปลายบมาถึงเพราะแม้พระเจ้าก็ยังเริ่มมีเศษมี่บา เช่นเศวิบากที่ท่านบอกว่าท่านฆ่าน้องชายตายต่างแต่างจนกระทั่งมาถึงตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังรู้เศวิบากนั้นมาให้เทวทัตกลิ้งหินมาทับประบาดห้อเหลือจากฆ่าน้องชายตายเหลือแค่บาดเจ็บแค่ห้อเหลือนั่นก็คือพลังงานที่มันถูกกั้นแล้วก็เหลือพลังงานมามนไม่ใช่ตัวตนแต่มันเป็นพลังงานที่เลือมาพราทันเมื่อไหร่มันออกผล เพราะที่ค่าน้องชายมาทันท่านเหลือแค่สะเก็ดห่อเลือดอย่างนี้เป็นต้นมันยิ่งท่านทําดีเพราะท่านหยุดบาปแล้วมีแต่กุศลไปอีกเท่าเดิมมันก็ยิ่งคุณยิ่งตอบมันก็ยิ่งกั้นไปนานานา น, านานยิ่งหายหาหไปแต่มันไม่หมดนะหยุดเมื่อไหร่หรือทําบาป ท, ทั่วเข้าไปอีกเสริมท่านหน่ ยิ่งไวขึ้นเพราะบาปกับบุญหรือกุศลกับอกุศลเนี่ยมันไม่มีหายไปไหนอยู่ในสัญญางกอนทั้งหมดเพราะนันระลึกพระพุทธเจ้าท่านระลึกแต่ที่ท่านเอามาเล่าเป็นชาดกในส่วนมากมันเปเรื่องดีเรื่องไม่ดีของท่านไม่ไเคยเล่าก็ถ้เาเก็ต้องผ่านไม่ดีมาก่อนใช่หัหมแล้วท่าก็ทำลายไม่ดีอย่างทั้งหมดเพราะชาดกส่วนมากจะเป็นเรื่องเล่าที่ดี เรื่องนั้นเป็นตัวอย่างในตอนนั้นช่วงนั้นช่วงนี้เพราะอันนี้หมายถึงคนนั้นอันนี้หมายถึงคนนี้อันนี้หมายถึงคนนั้ น, น, น, น, น, นส่วนมากกับพูทติ์กลเกๆี่ยทำมันแล้วเพราะมันเยอะแต่ละคนแต่ละคนนี่เกี่ยวข้องกันในเจอร่วมบาปร่วมบุญอะไรกันมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเรื่องเกินคิดเกินที่จะไป เดาอ ะ, อะไรต่างๆนั้นมาเพราะอย่าไปเดาพิสูจน์ปัจจุบันนี้ล้างกิเลสให้หมดแล้วคุณจะค่อยๆรู้สิ่งเหล่านั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้มันถึงขั้นถึงขีดรู้ได้รู้ได้ไม่รู้เส็จอีกไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้แต่ถึงขีดถึงเขีดรู้ ทำสิ่งที่มันละกิเลสนี่ไปเนี่ยมันจะเป็นการรู้ต่างๆ่างมันหนาเป็แล้วสิ่งที่มีอยู่นะันเรียกว่าธรรมะทรงไวเนี่ยเพรา ะ, ะนั้นทรงไว้ซึ่งกุศลและ อ, อกุศลถ้าทรงไว้ซึ่งบาปแต่บุญไม่ทรงไว้ทรงไว้ซึ่งบาปก็คือกิเลสที่ยังเหลืออยู่กิเลสเกิดปัจจุบัน จบไปแล้วมันไม่ใช่กิเลสจะเรียกว่ากิเลสมันก็เป็นตัวยึดแต่ก็ออกมาเกิดบมมกบาทเป็นปัจจุบันเพราะกิเลสกัตถนามันเกิดที่ปัจจุบันส่วนที่มันอยู่นั้นเป็นอุปทานยึดอุปทานมาเป็นตัณหามาเป็นกิเลสก็ออกปัจจุบัน เมื่อปัจจุบันมันเกิดเ้วก็จัดการละอันนี้ไปมันก็หมดบุญคือการชำระตัวกิเลส ท, ที่มันเกิดปัจจุบันเพราะฉะนั้นบุญคือภาวะการทำงานในปัจจุบันเมื่อกำจัดกิเลสได้ได้ได้ได้้ดดดดหมดก็หมดกิเลสไม่เกิดอีกในจิตอีกแต่ไอ้สิ่งที่มันมีอยู่มันก็เหมือนมาไรเนื้อยอย่างที่ว่ามันก็ออกนิดมาตามแต่คุณจะสร้างกุศลไปจึงไม่มีหยุดกุศล เพราะพระอาหารหันต์คือสัพปปาปัสสะกระนังไม่ทำบาปทั้งตัวไม่สร้างกิเลสอีกแล้วกุศลสู้ประสัตทาทำแต่คุณงามความดีกุศลตลอดไปได้จะให้เป็นบัฟเฟอร์เป็นกำแพงกั้นไม่ใช่บัฟเฟอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่กำแพงใหญ่กันะกไว้เท่านั้นเอง ตราบจนกว่าเราจะปรินิพานเป็นปริโยสานเลิกแล้วแยกธาตุออกไปหมด H ไป H O ไป O ไฮโดรเจนไอโซเจแยกไปเลยไม่เหลือธาตุน้ำไม่เหลืออัตตาอัตภาพของเราไม่เหลืออัตตาที่เป็นอรหัต์ตาหรืออรหันต์ไม่ลึกลับแล้วอรหัต์เราไม่ลึกลับ อัตราที่ไม่ลึกลับแล้วรู้แจ้งหมดอัตราแล้วไม่จะสร้างอัตราอีกไม่เหลืออตัยแต่มีอัตราล้ำลองที่อาศัยเป็นอัตราที่ไม่ลึกลับอาศัยงานเป็นรูปนามคันธ์หนาไปเท่านั้นเองพระอรหันต์จนกว่าจะสลายแล้วจึงจะไม่เหลืออัตราเลยปรินิพานเป็นประโยชน์สารสุดท้ายนะมันสิ่งที่ทรงไว้ของผู้ที่จะมีาศาสวะ แม้ลือเศษนิดนึงก็คืออธรรมเป็นพระอาหารหันต์แล้วจึงจะหมดอธรรมทรงไว้แต่ธรรมะอาศัยเมื่อพระอาหารหันต์ปรินิพพานเป็นปริโยสานไม่มีเลือเลยธรรมะก็ไม่เลืออะไรก็ไม่เลือเลยเพราะางี้ไปพูดถึงชาติหรือแค่ธรรมะชาติเลย พระอรหันต์นั้นไม่มีชาติมีแต่ธรรมะที่อาศัยชาติตัวนี้หมายความว่าความเกิดของกิเลสความเกิดของตัณหาความเกิดของบาปพาาระอรหันต์ไม่มีชาติเกิดแล้วจึงเรียกว่าดับภพดับชาติเพราะฉะนั้นไปนิยามชาติโดยมัวม่วงไม่รู้อะไรนี่คือความไม่สมบูรณ์ของความรู้มันก็เลยไม่ไม่คม ไม่แม่นไม่ชัดไม่ตรงก็เลยปฏิบัติกันไม่ถึงที่สุดนะ oh. อัตมาเลยเวลาเขาไปสองนาทีแล้วจะเอายี่สิบตอนนี้ยี่สิบนาฬิกายี่บนาทีแต่เรือนนี้ยังไม่ถึง22บสองเรือนนี้2ี1สิบแดกนะก็เอาละเรือนนี้ย2บบวกรบคูณหางกันก็พอดีกันนะก็ขอจบรายการตั้งแต่วันนี้แต่เพียงต่านี้จเจริญธรรมทุกคน ตะลึงซาบซึ้งแปลกใจดูฉันไหนใจเขาจึงต่าง